โอกาสทานอ า, าจารย์เจริญพรทุกทกท่านในภาพรวมนะพวกเรากพอพอนากันดีขึ้นแล้วละ่ะที่จริงแล้วการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกเราตั้งใจให้มันจริงเมื่อเราจะปฏิบัติจะปฏิบัติเพื่ออะไรก็รต้องรู้สิ่งที่เราต้องรู้นะเราจะปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรมีประโยชน์ยังไงปฏิบัติอย่างไร ปฏิบัติแล้วมีผลยังไงสิ่งเหล่านี้เราควรจะรู้บางคนก็ไม่สนใจที่จะปฏิบัตินั่นก็ปล่อยเขาไปนี่คนที่สนใจจะปฏิบัติเนี่ยก็ต้องรู้แล้วว่าเราจะทําไปเพื่ออะไรบางคนก็เห็นคนอื่นปฏิบัติก็ทำตามตามเข้าไปก็ดีกว่าเป็นกิเลสที่อื่นแต่ไม่ค่อยฉลาดทําอะไรเนี่ยมันต้องรู้ว่าจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไร จะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าให้คําตอบเหล่านี้ไว้อย่างชัดเจนเราปฏิบัติทำเพื่ออบรมให้ปัญญามันเกิดปัญญาคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกตัวสัมมาทิฏฐิถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดเราเข้าใจถูกรู้ถูกเข้าใจถูกในท่านในขัน ใ, นในกายในใจนี้แล้วจิตมันจะคลายความยึดถือออกไปเมื่อจิตคลายความยึดถือ ธาตุขันรูปนามกายใจมันก็ยังมีอยู่มันยังไม่ได้ตายก็ยังมีอยู่มีบากยังส่งผลเลี้ยงมันไว้แต่มันจะไม่มาเป็นภาระหนักทางใจคนทั้งหลายที่ไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจให้ดีพอนะมีขันก็ทุกข์เพราะขันมีกายก็ทุกข์เพราะกายมีใจทุกข์เพราะใจแล้วขยายวงออกไปอีก มีครอบครัวก็ทุกขเพราะครอ บ, ค ร, บครัวมีบ้านทุกเพราะบ้านมีทรัพย์สมบัติทุกเพราะทรัพย์สมบัติมีชื่อเสียงทุกเพราะชื่อเสียงมีอะไรก็ทุกข์เพราะนั้นเลยแล้มีไม่เป็นมีแล้วเข้าไปยึดไปถือแต่ถ้ามันมีว่าใจมันไม่ยึดไม่ถือ่านทั้งห้าเป็นของหนักยังไงก็เป็นของหนักแต่เมื่อใจไม่เข้าไปยึดถือไม่ไปแบกหามไว้นะ ควาหนักมันมาไม่ถึงใจใจมันสบายโล่งว่างเบามีความสุขนี่บาที่เราได้ยินว่าปฏิบัติทำไปแล้วไม่ยึดถืออะไรเลยจิตใจปลอดโปร่งโล่งเบามีความสุขรเราไปชิดจะต้องปฏิบัติทํำยังไงใจจะปลอดโปร่งโล่งเบาทํำยังไงจะไม่ยึดถือคอยบอกตัวเองเรื่อยๆว่าไอ้นอนท์ก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดสุดท้ายก็ยึด เพราะอะไรรู้ปลายทางแล้วว่าสุดท้ายมันไม่ยึดถืออะไรแต่ไม่รู้วิธีการพราะได้เจ้าสอนวิธีการปฏิบัติอย่างไรวันหนึ่งจิตใจไม่ยึดถือในรูปนามกันหานี้จิตใจพ้นออกจากของทุกไปยังมา น, นึกเอาเองไม่ได้หลายคนแล้วนึกเอาเองอย่างได้ยินว่านิพานเป็นความว่างนิพานังปรามังสุญญานิพานเป็นความว่างก็พยายามทําใจให้ว่าง นึกเอาเองนึกวิธีการเอาเองก็คือทํำใจว่างๆไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งที่จริงแล้วก็คือไปคิดนึกปรุงแต่งความว่างขึ้นมาเป็นอาเนชชาพิสังขารทําไปด้วยอาวิชชานั่นเองเงั้นรู้ปลายทางแล้วก็ต้องรู้วิธีการที่จะไปสู่ปลายทางด้วยะะเราจะภาวนาปลายทางของเราคือความดับสนิทของทุกข์ ก่อนจะถึงความดับสนิทของทุกข์นีจิตมันพ้นจากทุกข์ก่อนคือมันพ้นจากขันขันนี่แหละคือตัวทุกข์กายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์พูดภาษาไทยง่ายๆพูดคำว่าขันเดี๋ยวพวกเรากลัวรูปนามกายใจรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายที่ประกอบกันเป็นตัวเราอันนี้คือตัวทุกข์พ้นทุกข์ไปก็คือจิตมันไม่ยึดถือในรูปในนามในกายในใจนี้ เป็นพระอราหันต์ขันยังมีอยู่แต่ว่าจิตไม่หยุดก็ไม่ทุกข์แต่ว่าขันมันทุกข์ร่างกายก็ยังทุกข์อยู่ยังแก่ยังเจ็บยังตายยังหิวยังหนาวยังกระหายนะยังร้อนอนี่เป็นอย่างนี้แต่ใจไม่กระเทือนก็อยู่ไปจนกระทั่งวันที่ขันแตกดับนะเร่ยกดับสนิทแห่งทุกข์ เวลาเราคิดถึงความตายเรารู้สึกเป็นความสูญเสียแต่สําหรับพระละหันเวลาคิดถึงความตายไม่ได้รู้สึกว่าสูญเสียแต่รู้สึกร่าเริงใจตัวทุกข์มันจะตายนะตัวทุกข์มันจะแตกไม่ได้หวันไหวเลยมีความสุขนะใจจะร่าเริงจะสดใสเป็นพิเศษเลยจะผ่ อ, องนะเวลาธาตุขันจะแตกนะถ้าพวกเราเวลาธาตุขันจะตับลงไปนะจะทุรนทุราย ทุกทรมานการที่จะจิตจะพ้นจากขันได้ต้องรู้วิธีวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนเรานะมีสามบทเรียนคือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาศีลสิกขาจะทำให้จิตใจเราเป็นปกติไม่ถูกกิเลสชั่วหยาบครอบงําจิตสิกขาจะทำให้ใจเรามีสมาธิมีความตั้งมั่นมีพลัง มีเรียวมีแรงที่จะไปเจริญปัญญาปัญญาศิกษาจะทําให้ใจเราเห็นความจริงของรูปนามกายใจศีลและสมาธิและปัญญามันก็เลยเป็นบันได3 า, ามขั้นที่จะนไปสู่ความหลุดพ้นคือตัววิมุตติตัวความหลุดพ้นหลุดพ้นจากความยึดถือในธาตุในขันธนะ์หยุดพ้นร้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลาย พวกเราก็ต้องค่อยๆพัฒนาไม่เคยมีศีลก็มีศีลขึ้นมาซะไม่เคยรักษาศีลทำตามใจกิเลสตลอดเวลาต่อไปนี้ตั้งใจจะไม่ผิดศีลห้าเอาห้าข้อพอแล้วไม่ต้องถึงศีลแปดศีลสิบอะไรหรอกศีลห้านะก็ได้โสดาสกถาขาละเอาให้ได้ตัวนี้ก่อนบางคนอยากจะได้เยอะๆอยากได้เร็วๆเอาศีลสองรอยี่สิบเจ็ดเลย มาแต่งตัวเป็นพระมารักษาศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดข้อรักษาไม่ได้อ่ะศีลก็พล้องก็แพร่งนะมันบาปนะภาวนาไม่ขึ้นอะ่ะพระอาบัติพุ๊บภาวนาไม่ขึ้นเลยจิตไม่สงบสงบก็สงบซื่อบื้อนะสู้ศีลห้าไม่ได้ด้วยซ้ําไปพูดอย่างนี้ไม่ได้บอกให้พระสึกนะไหนๆก็บวนมาแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลได้ดีที่สุดอะ ถ้าไม่รักษาก็เสียหายเราจะต้องพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาสอนที่ไหลหลวงพอก็สอนแต่เรื่องพวกนี้แหละศีลเบื้องต้นนะตั้งใจรักษาไว้ก่อนตั้งใจงดเม้นการทําบาปอากุศล5้าข้อต้องตั้งใจงดเม้นตมืบางคนก็บอกว่าตัวเจตนางดเม้นเจตนาที่จะงดเม้นนะนะั่นแหละคือตัวศีลอันนั้นก็ถูกเป็นศีลในขั้นต้นนะ ตั้งใจของเราเองไม่ต้องไปขอที่ใครไม่ต้องไปขอกับพระที่ต้องไปถามพระเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าศีลห้ามันมีอะไรถ้าเรารู้แล้วก็ไม่ต้องไปถามเราก็ตั้งใจงดนเบนของเราเองตื่นเช้าขึ้นมาก็ตั้งใจว่าจะถือศีลห้าก่อนจะกินข้าวเช้าก่อนจะกินข้าวกลางวันก่อนจะกินข้าวเย็นตั้งใจจะถือศีลห้าก่อนจะนอนหลับนะตั้งใจถือศีลห้าเพื่อหลับแล้วไม่ฟื้นขึ้นมาไม่ตื่น ยมาบาลถามว่าแกมีอะไรดีบ้างวันนี้อาชั้นถือศีลห้าแล้วตายลงมายามาบาลจะโอ้ยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมให้ผ่านผ่านนรกไปได้รอบหนึ่งนะนั่นถือศีลห้าไว้เราไม่ตกนรกนะตั้งใจให้ใจมันเคล้าเคลียอยู่ต่อไปเราพัฒนาศีลของเราให้เจริญงอ่งงามขึ้นไปให้เป็นศีลที่น่าชมเชยเรแล้วอริยะกันตศีลศีลที่พระอริยะชมเชย เราไม่ใช่ชมตัวเองแล้วคราวนี้กระทั่งพระอริยะย่างชมเลยมันเป็นศีลที่มันไม่ด่างไม่พ้อยไม่ขาดไม่ทะลุนะมันสมบูรณ์ตอนไหนยังไม่สมบูรณ์ก็ค่อยๆพัฒนาขึ้มารู้ตัวเองอยู่แล้วให้เรือบิดไปปรับเป็นการฝึกพวกเราเหมือนกันนะการฝึกจิตฝึกใจของเราเวลาหลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยจะฟุง้งซ่านแค่ไหนเรารู้ทันตัวเองไป ถ้ไม่ฟุ้งซ่านหลวงพ่อพูดต่อเขารู้เรื่องนะถ้าฟุ้งซ่านไป เ, เริ่มต้นไม่ถูกงงแต่ว่าพวกเราในภาพรวมที่พวกเราเป็นทุกวันนี้นะหลวงพ่อเห็นว่าพวกเราเก้าวหน้าขึ้นจเจริญขึ้นเป็นส่วนมากเลยไม่ใช่งี่เงา่ามืนมืนบอดบอดอย่างแต่ก่อนแล้วละแต่ละคนใจมันสว่างสวยมากขึ้นมากขึ้นดูดีตั้งใจรักษาศีลไว้ หลังจากนั้นก็มาฝึกสติของเราให้ไหวคนทําผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงําจิตอยราคาครอบงําจิตนะความโลภครอบงําอาจจะไปทํำร้ายคนอื่นก็ได้จะไปชิงทรัพย์เขาไปรักทรัพย์เขาราคาครอบงําจิต่็ไปผิดลูกผิดเมียเขาหรื อ, ร า, อาราคาครอบงําแล้วก็ไปกลิ้นปล่อนหลอกลวงโกหกเขาราคาครอบงําจิตจิตกรดีกระดา ไปกินเหล้าเมายากขาได้เลี้ยงฉลองโทสาค้อบงำจิตนก็ผิดศีลห้าได้ทั้งข้างข้อเหมือนกันโทสะครอบงำมไม่ทํำลายเขาไม่เกลียดเขาโกรธเขาไปแกล้งทําลายทรัพย์สินเขาก็ได้ไปแกล้งขโมยทรัพย์สินเจ้าก็ได้เพราะว่าเกลียดเขาไม่ได้ทำเพราะโลกไม่ได้อยากได้ของเขาแต่อยากทําลายของมันให้มันเสียใจไปลักเอามาเก็บไว้บ้านเราอะไรงี้เขาเสียใจโกรธขึ้นมาเขาไปหลอกลูกหลอกเมียเขาแกล้งเขา ทำให้เขาเจ็บใจโกรธขึ้นมาก็ไปด่าเขาหรือแกล้งชมเขาเลียดเขามากเลยไป แ, แกล้งชมให้เขาเสียคนไปเลยอย่างนั้นเขาทำได้ผิดศีลได้หรือจิตมันมีโทสะขึ้นมาจิตมันไม่แช่มชื่นจิตมันทุกข์ใจกินเหล้าก็ได้มันเป็นการเพี่ไปเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตัวเองนะเบียดเบียนด้วยพฤติกรรมทางกายทางวาจากินเหล้าเนี่ยกินด้วยใจได้ไหม ต้อกินด้วยกายใช่ไหมเอาใส่ปากคนไม่มีแรงยกแก้วเหล้าไว้ไหวบอกให้เพื่อนช่วยยกกรอบปากพอทีเ <c oughs> นี่ยเป็นพฤติกรรมทางร่างกายเลยจัดอยู่ในกลุ่มของศีลตั้งใจรักษานาโดยการรักษาสติมีสติรักษาจิตราคะเกิดขึ้นใจมันโลภขึ้นมาใจมันรักขึ้นมามีสติรู้ทัน โทสะเกิดที่ใจมันโกรธขึ้นมามันหงหุดหงิดมันไม่พอใจมันอิจฉาพยาบาทมันตรณี่อะไรนี้ตระกูลโทสะกังวลกลัวนี่พวกโทสะเสงเบือ่อนี่พวกโทสะโทสะเกิดขึ้นมาให้มีสติรู้ทันเวลาใจฟุ้งซ่านพวกโมหะใจฟุ้งซ่านมีสติรู้ทันก็รู้ไปได้โดยเฉพาะราคะโทสะเนี่ยตัวทำให้เราผิดสินห้า แต่ว่าราคาโทสะเกิดได้ต้องมีโมหะเป็นฐานนะแต่ว่ามันแรงกิเลสมันแรงกลายเป็นราคาเป็นโทสะขึ้นมาแล้วอาศัยสติรู้ทันจิตโลบก็รู้จิตโกรธก็รู้ฝึกไ ป, ไปอยงง่ายๆไม่มีอะไรยากหรอกทันทีที่เรารู้ว่าโกรธความโกรธมันจะกระเด็นออกไปจากใจความกลมันจะอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งแล้วความโกรธก็ดับไปเวลาโลภขึ้นมาเรารู้ว่าโลภความโลภก็อยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งความโลภมัน ก, ม ก, มก็ดับไป ใจเราเป็นคนรู้คนดูใจไม่ถูกกิเลสความโลภความโกรธอะไรนี่ครอบงำเมื่อความโลภ ค, ความโลกรธครอบงำใจไม่ได้ไม่ผิดศีลหรอกคนทําผิดศีลเพราะกิเลสเนี่ยหัดดูอย่างนี้นะแล้วศีลของเราจะดีขึ้นเราจะรักษาศีลง่ายขึ้นพวกเราที่เรียนจากหลวงพ่อมาพักหนึ่งรู้สึกไหมรักษาศีลง่ายขึ้นรู้สึกไหมเป็นเรื่องง่ายมันไม่อยากทําชั่วถ้คิดจะทําชั่วมันละอายอายไหม ถ้าละอายนะจะบอกให้ภูมิจิตขณะนะั้นเป็นเทวดาเราละอายที่จะทำชั่วเราเกรงกลัวผลของการทำชั่วถ้าตายไปได้เป็นเทวดาแล้วละมีศีลแต่ว่วาศีลนั้นพัฒนาจนถึงขั้นมีฮิริอตตะปักละอายที่จะทำชั่วเกรงกลัวผลของการทำชั่วมเรียกว่าเทาวธรรมเทวธรรมธรรมกของเทวดา ถ้ามีศีลห้าอย่างพวกเรารักษากระพร่องกระแพงนะแต่ว่าพยายามรักษาอยู่ยัเป็นมนุษย์ได้แต่พัฒนาศีลจนกระทั่งมันละอายใจที่จะทําผิดนะ่ะแล้วอาศัยสติที่รวดเร็วนะรู้เลยว่ามันไม่ดีแล้วก็กิเลสเกิดเนี่ยถ้าจะทำแล้วอายอายใครอายตัวเองบางทีก็อายหลวงพ่อนนะบางคนมัไม่กล้าศบตาหลวงพ่อก็ศีลด่างพร้อยมาเป็นไหม เวลาศีลไม่ดีนะจะตั้งหลังคนอื่นไปซุกๆุกอยู่นะั้นนึกว่าหลวงพ่อไม่เห็นนะอย่างเห็นเราก็เห็นออกไม่หลบยังไงนั่งสูงนี้สูงกว่ามองเห็นงั้รักษามีสติรักษาไปเรื่อยๆกิเลสเกิดแล้วรู้กิเลสเกิดแล้วรู้ศีลของเราก็จะดีขึ้นเราจะต่อไปเราก็จะเกิดละอายใจที่จะทําผิดเราเกรงกลัวผลของการทําผิด เมื่อเรารู้สึกไมมเวลากิเลสเราแรงๆแล้วครอบงาจิตได้แต่ละคราวเนี่ยสิ่งที่ตามมานะคือความเศร้าหมองของจิตจิตมันทุกข์นะจิตมันทุกข์อย่างเวลากโกรธแรงๆนะหลังจากโกรธไปแล้วรู้สึกไหมใจก็เศร้าหมองหลังจากราคะแรงแรงไปแล้วใจก็เศร้าหมองใชเนี่ยใจมันจะเศร้าหมองมันรู้สึกไม่ดีเลยน่ากลัวการที่เรา ท, ทําตามกิเลสนะมีผลน่ากลัวเป็นความทุกข์เป็นความเศร้าหมองที่ตามมา ก็มีอย่างนี้นะใจเราเลื่อนระดับจากมนุษย์มนาะเป็นเทวดาละมีฮีริโอตปะมีศีลห้ามีฮิริโอตปะขห้นมานี่เรื่องของศีล น, นะฝึกไปได้เราจะได้เป็นเทวดาถัดจากนี้เราจะฝึกให้เป็นผรมเป็นเรื่องของสมาธิสมาธิฝึกได้เราจะได้เป็นรลมไม่ใช่ผรมที่เรานั่งนี่นะผลมอย่างนี้ถูกนั่งถูกเหยียบนะแล้วไม่ใช่ผรมที่อยู่ตามโรงแรมด้วย ลมอย่างนั้นก็ปั้นขึ้นมาลมจริงๆอยู่ที่จิตจิตซึ่งมันไม่หลงไหลแสใจไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางร่างกายมันเป็นจิตที่มีความสุขมีความสงบอยู่ในตัวของตัวเองบางท่านก็สงบในการเพ่งรูปธรรมเช่นเพ่งลมหายใจจิตอยู่กับลมหายใจจิตไม่หนีไปไหนเลยเนี้ยก็มีความสุข บางคนดูท้องพองยุบจิตอยู่ที่ท้องพองยุบจิตมีความสุขแต่ถ้าอยู่ที่ท้องพองยุบแล้วจิตเครียดเนี่ต้องรู้นะนั้นตกนรกนะสัตว์นรกนะจิตเครียดเครีๆนะ่ะไม่ใช่ว่าดูท้องพองยุบรู้ลมหายใจแล้วจะต้องเป็นพลมเสมอไปถ้าทําด้วยใจที่ไม่ถูกต้อง ใ, ใจเครียดเคยเห็นคนภาวนาแล้วบ้าไหมมันจะเป็นพลมได้ยังไงมันบ้าไปซะแล้วมันทำผิด น, นะมันเครียดเกินไป ภาวนาต้องไม่เครียดนะภาวนาเนี่ยยิ่งเราจะฝึกจิตฝึกใจให้สงบเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าความสงบมาจากอะไรความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบเพั้นถ้าเราภาวนาไปนะเราหายใจไปด้วยใจที่มีความสุขใจจะสงบเราดูท้องของยุบไปด้วยใจที่มีความสุขใจจะสงบเราขยับมือสายลงพระเทียนก็ขยับ ถ้าเราขยับมือด้วยจิตใจที่มีความสุขรู้เนื้อรู้ตัวไปยังมีความสุขใจจะสงบนะไม่ว่าทํากรรมฐานอะไรจุดสําคัญอยู่ที่ใจถ้าใจมีความสุขอยู่ในอารมณ์ใดนะใจก็จะไม่หนีไปจากอารมณ์นั้นใจก็จะไม่วิ่งซ่านไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปหาสัมผัสทางกายที่อื่นจะสงบมันจะสบายอยู่ในอารมณ์เดียวเราก็ต้องค่อยๆฝึกค่อยๆสังเกตตัวเอง ไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นยังมาได้ยินว่าหลวงพ่อทำสมถะทำสมาธิด้วยอาณาปนานสติพวกเราไม่จําเป็นต้องทำอาณาปนานสติทางใครทางมันอย่างถ้าเราเป็นคนคิดมากเนี่ยคิดรุนแรงเหลือเกินนะจะไปทำใจให้สงบอะไรเงี้ยไม่ยอมสงบเนยจะทำไงมันชอบคิดก็พามันคิดเลยแต่คิดเรื่องดีๆอย่างคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์ คิดถึงทานที่เราได้ทักทมแล้วคิดถึงศีลที่เราได้รักษาแล้วคิดถึงความตายคิดถึงร่างกายคิดถึงลมหายใจคิดถึงคนที่ดีๆคิดถึงในหลวงคิดถึงพระเทพอะไรเงี้ยเวลาเราคิดถึงสิ่งที่ดีๆใจมันจะมีความสุขคิดถึงความเมตตาคิดถึงอะไรเงี้ยไม่เป็นผิดเป็นไปกับใครคิดถึงความสงบเนี้เราดูนิพพานไม่เป็น เราเห็นนะักครูบาอจารย์ของเราดูมีความสุขดูมีความสงบอย่างหลวงพ่อตอนเป็นโยมน ะ, ะให้เข้าไปก่อนตอนหลวงพ่อเป็นโยมเนี่ยไปกราบครูบาอจารยนะ์เห็นครูบาจารย์ผู้เฒ่าผู้แก่แนละ้วดูมีความสุขหันมาดูญาติโยมคารวะแก่เท่าแล้วไม่เห็นจะมีความสุขเลยนะใจเคร่งเครียดใจไม่มีความสุขใจกังวล ห่วงโน่นห่วงนีนหงน่ห่วงตัวเองห่วงลูกห่วงล้านห่วงทรัพย์สมบัติอะไรเงี้ยใจไม่ค่อยมีความสุขแล้วก็เครียดนะในขณะที่ครูบาอาจารย์แก่เท่ายัางไงก็ดูมีความสุขดูมีความสดใสไม่สบายจนพลิกตัวเองยังไม่ไหวนะท่านก็ยังมีความสุขอยู่เคยเห็นบางองคนะ์นะท่านเป็นธรมาพาชนะหลวงปู่ชอบตอนนั้นหลวงพ่อเพิ่งหันตอนากับหลวงปู่ดูลไม่นานหรอก ก็ได้ยินข่าวเล่าลือหลวงปู่ชอบเนี่ยเขาลือกันว่าเป็นพระอรหันต์ก็จะไปกราบท่านนะได้ข่าวว่าท่านมาที่ในกรุงเทพเนะไปถึงนะโหคนเยอะเลยล้อ ม, มทั้งพระทั้งโยมยล้อมไปเยอะเลยท่านนอนหันหลังอยู่โหเราก็อยู่ห่างๆเห็นมีช่องดูได้แค่เนี้ยเห็นท่านหน่อยหนึ่งนะไม่เป็นไรเข้าไม่ถึงเรกราบตรงนี้แหละลงกราบกับพื้น ผมขอกราบพระอาหารนะหันโนปู่น้าขยับหน้ามานะ <c oughs> นอนหันหลังอยู่นะอาจารย์ <c oughs> เราเห็นท่านสดใสจังเลยถ้าเป็นเราเป็นอมภภาพนะกะดูกระดิกไม่ได้เราไม่สดใสแลนะ้วนาะเราก็อกลุ้มใจแทบตายเลยรือท่านมีความสุขเนี่ยการที่เราไม่เห็นนิพพานด้วยตัวของเราเองนะแล้วเราเห็นท่านทีน่ท่านมีความสุขความสงบดูมันดี เรานึกถึงความสุขความสงบที่ท่านมีนะใจเราก็ร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยเนี่ยถ้าเราจะทําความสงบนะเราเราเป็นคนคิดมากนะพามันคิดเรื่องพวกเนี้ยคิดเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องอะไรต่ออะไรเรื่องเมตตาเรื่องความสงบนะเรื่องคนดีเรื่องร่างกายอย่างบางทีใจเราราคะรุนแรงคอยจะคิดลามกทั้งวันเลยเป็นไหมหนุมหนุ่ม บางทีเนี่ยภาวนาดีๆนี่แหละมันจะคิดแต่เรื่องหลามมกเอ้าหลบหน้าซะอีกนะไม่ได้แกล้งว่านะมันจะคิดนะใจมันอยากคิดเงี้ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้พามันคิดแต่ไม่ได้พามันคิดเรื่องหลามกนะพามันคิดเรื่องร่างกายร่างกายนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเองกระดูกไม่ใช่ของสวยของงามอะไรเราคิดอย่างงี้คิดกลับข้างแทนที่จะคิดไปในทางสวยทางงามนะ เราคิดกลับข้างคิดว่ามันไม่สวยไม่งามใจมันก็สงบหรือเวลาเราโกรธเนี้ยใจมันคิดไปในทางพยาบาทเรามาคิดกลับข้างคิดในทางหน้าสงสารหน้าเมตตาเราโกรธใครสักคนแล้วเราค่อยๆสังเกตดูไอ้เขาทุกข์นะถ้าเราเห็นว่าไอ้คนที่เราเกลียดมากๆคนที่เราโกรธมากๆมันทุกข์นะใจมันโศกสานนะมันหายโกรธเลยคิดกลับข้างมองมองกลับข้างเลย เป็นวิธีที่จะทําให้เราได้สมถะแบบง่ายๆใจจะสงบแบบง่ายๆเลยแทนที่จะต้องไปห้ามมันคิดนั้นก็พามันคิดไปถ้ามันจะอยากชิดมากแต่ถ้ามันอยากคิดไม่มากนะก็พอนาคํากรรมฐานอืนอ่นๆไปรู้จักนะรู้จักเลือกเอาว่าเราควรจะทําสมถะอะไรอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นเนืองๆใจก็จะมีความสุขใจจะมีความสงบ ความสุขความสงบอันนี้ไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยอย่างเราหายใจออกหายใจเข้ามีความสุขไม่เสียเงินนะยกเว้นว่าไปเข้าห้องไอซยูอะไรเขาคิดค่าออกซิเจนนะอย่างนั้นเสียเงินนะแต่ถ้าหายใจของเราเองนี่ยังไม่เสียสตังค์หายใจไปแล้วมีความสุขกําไรไหมคนอื่นจะหาความสุขต้องเสียเงินซื้อเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเราหายใจเราก็มีความสุขละหรือเราคนอื่นมันคิดแล้วมันมีความทุกข์เราคิดแล้วเรามีความสุขอ เราจิตแล้วเรามีความสงบนะเนี่ยเรารู้จักดูแลรักษาจิตใจของเราหรือเราไปทําความดีมาเราไปบริจาคโลหิตมาอะไรเนี่ยนะตอนบริจาคมาตกใจกลัวเป็นลมไปเลยบริจาคเสร็จแล้วมันอิ่มอกอิ่ ม, มใจนึกที่ไรอิ่มทุกทีเลยแล้วก็นึกบ่อยๆไม่เป็นไรเนใจมันจะขึ้นวิถีที่เป็นกุศลซ้ําแล้วซ้ำอีกนะมันเหมือนทําบุญเยอะได้ทําหลายรอบเวลาทําบาปก็เหมือนกันท้คิดซ้ําก็คือทําหลายรอบ ได้รู้จักดูแลจิตใจของเราจิตใจมันจะสุขมีความสุขมีความสงบมีความสบายเนี่ยเป็นการฝึกจิตใจนะให้คลายออกจากโลกซะบ้างถ้าเรามีสมาธิขึ้นมาใจมันจะห่างออกจากโลกพวกเราที่ภาวนามาถึงวันนี้เริ่มรู้สึกยังว่าใจเราห่างออกจากโลกใครรู้สึกยกมือให้ดูมีไหมมันจะคลายออกมันจะคลายออกคลายออกนะั่นนั่นมันมีความสุขอยู่ในตัวเองคนที่อยู่ในโลกไม่ได้มีความสุขเลยดูออกกันยัง มันน่าสงสารหนะน่าสังเวชใจมากเลยแต่ในขณะที่เรารู้ทันนะเราอยู่ในอารมณ์กรรมฐานแล้เราใ่เรามีความสุขอะ่ะอันจะดูสัตว์โลกน่าสงสารไปหมดเลยใจมันจะเกิดความเมตตามันจะไม่โกรธไม่เกลียดใครหรอกนะไม่ใช่ชอบคนนี้เกลียดคนนี้อะไรใจมันจะสงสารไปหมดเลยอย่างช่วงก่อนปีนู้นน่ะนะโกรธก็ไปโกรธกันมาแต่ถ้าเราพาวนาเป็นนะเราได้เห็น ทุกคนมันทุกข์หมดเลยสัตว์ทั้งหลายตัวเล็กตัวน้อยนะหมาแมวอะไรเนี้ยดูให้ดีเลยมันทุกข์ทั้งนั้นเลยนกนักเลยนี่ทุกข์ทั้งนั้นนะอย่างนกเนี่ยมาหากินมีความสุขอยู่เสลอตัวแป๊บเดียวแมวไปกินละวตายละเนี่ยเราจะเห็นเลยใครๆเขาก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่ใช่เราทุกคนเดียวพวกที่เรารู้สึกว่าเราทุกคนเดียวเนี่ยจะเห็นแค่ตัวแล้วจะหงุดหงิดมากเลยแต่ถ้าเราเห็นว่าใครๆก็ทุกข์เหมือนกันนะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันทั้งคนทั้งสัตว์นะ ใจมันจะเกิดความเมตตากรุณาขึ้นมานะมันจะมีความสุขมีความสงบอยู่ในตัวเองนะอย่างนี้ก็คือการเจริญเมตตานะหัดมองคนอื่นหัดมองสัตว์อื่นในความในแง่มุมของความเป็นมิตรในแง่มุมที่ว่ามันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับเราเรามองได้นะใจมันจะเป็นมิตรกับคนอื่นกับสัตว์อื่นกับสิ่งต่างๆใจมันจะร่มเย็นเป็นสุขนะเรียกว่าเราเจริญเมตตาอยู่แล้วเราค่อยฝึกให้ใจมันมีบ้านอยู่ที่สุขที่สบาย เนการฝึกจิตฝึกใจแล้วใจมันจะค่อยๆคลายออกจากโลกมันมีความอิ่มอยู่ในตัวเองใจที่มันไม่อิ่มอยู่ในตัวเองมันหิวมันก็จะวิ่งพล่านออกไปวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดวิ่งไปหาของอร่อยกินวิ่งไปอย่างนู้นวิ่งไปอย่างนี้เพราะมันไม่เต็มมันไม่อิ่มมันไม่มีความสุขเนี่ยถ้าเราทําสมาธิแลใจมันอิ่มมันเต็มมันมีความสุขมันคลายออกจากโลกมันไม่ได้หลงไหลในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัส รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเรียกว่าการมคุณอารมณ์แนละ้วเนี่ยใจของเราเพอมันมีความสุขมีความเมตตามีความสงบนะไม่เป็นใจของโฟมใจของฟฟมเนี่ยเป็นใจที่มีความสุขความสงบอยู่ในตัวของตัวเองไม่ได้หาความสุขความสงบไม่ได้หาความอริยอร่อยนะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสถ้าเราค่อยๆฝึกนะเรายกระดับใจของเราห่างโลกออกมาทีละขั้นทีละขั้นแล้วมีศีลเรวก็ ค่อยๆฝึกรักษาใจของเราไว้ไม่ให้หลงต่ำโลกเมื่อเรามีสมาธนินัใจเราก็คลายออกจากโลกไปส่วนหนึ่งในโลกที่เป็นเครียกว่ากา ม, มาโลกกา ม, มาโลกเราลิงนะไม่ใช่กามโรคนะ อ, อกา ม, มาโลกกามมาพบใจมันจะคลายออกจะมีความสุขของเราอยู่ได้อย่างพระเนี่หลวงพ่อบอกเรื่อยๆพระต้องฝึกสมาธินะเมื่อพระเนี่ยไม่มีกามมาสุขอยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนอยากจะ ได้ผ้าอบอุ่นก็ไม่ได้หน้าหนาวหนาวชุดพระเนี่ยหน้าหนาวหนาวนะหน้าร้อนร้อนคิดดูถ้าไปไหนเราก็ผมผพาผมไปด้วยร้อนไหมแต่พระพุทธเจ้าท่านดีไซน์แบบมานี่กจะใช้ได้ชิ้นเดียวเนี่ยใช้ได้ทั้งปีเฉลี่ยกันงั้นหนาวบ้างร้อนบ้างหนาวก็ไม่ถึงขนาดขาดใจตายร้อนก็ไม่ถึงกับบ้าตายม า, ยายอพอดีๆดีเฉลีย่ยเฉลีย่ยเนี่ยพระไม่ได้มีความสุข อยากกินอะไรก็ไม่ได้กินนะเช่าเขาให้กินก็ได้กินบางทีเขาก็ทำมาอย่างดีเลยนะทำอาหารอย่างดีมาเลยพอมาถึงพระเนี่ยนะของมันควรร้อนมันเย็นเจี๊ยบเลยอย่างนี้ก็มีนะเนียอยากได้ของร้อนก็ได้ของเย็นอยากได้ของเย็นก็ได้ของร้อนงั้นพระไม่มีกรรมสุกถ้าพระมีฌานสุกนะพระจะอยู่ได้สบายเลยพระจะมองโลก ไม่ใช่มองด้วยความอิจฉาว่าคารวะมีของกินตอนเย็นในพระจะมองแล้วก็กินเลยทาไมวะเสียเวลาเนี่ยเราสบายสบายมีความสุขสบายมากเป็นไหนฝึกก็นะฝึกก็เรานีกจะทำความสงบปุ๊บมันก็เข้าเลยนะฝึกให้ชำนี้ชำนาญต่อไปเราก็พัฒนาใจให้หลุดโลกเลยคราวนี้ สมาธิอะทําให้ห่างโลกออกไปใจพลุจจากกรรมคุณอารมณ์นะใจก็เป็นโฟมแนละ้วเห็นไหมถ้าเรามีศีลเรามีฮิริออตปะใจเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นอยู่กับโลกแหละแต่ว่าไม่ทํำลายโลกมีความดีของตัวเองอยู่กับมันเพราอนเทวดาเนี่ยยังพลุกอยู่ในกรรมคุณอารมณ์เทวดามีเมียได้นะแต่โฟมไม่มีหรอกเทวดายังมีเมียมีครอบครัวอย่างนี้ เรายัางหลงอยู่ในกามแต่พอเป็นพรหมเนี่ยไม่มีไม่มีเพศถ้าจะพูดไปนะไม่ได้สนใจเรื่องผู้หญิงผู้ชายดูๆไปแล้วสัตว์มันน่าสงสารเหมือนกันหมดเลยตัวผู้ตัวเมียก็น่าสงสารนะก็ทุกข์ของมันทั้งนั้นเลยลใจมีความสุขของตัวเองแล้วมันคลายออกจากกามะภพใจม่อยู่ในรู ป, ประภพมารู ป, ประภพคือพอใจในความสงบจากการเพ่งรูปเช่นเพ่งลมหายใจ ความพอใจในความสุขความสงบจากกันเพียงอรูปเช่นเจริญเมตตาเมตตาไม่มีรูปร่างนะเรียกว่าเป็นอรูปนั้นเราอยู่กับเมตตาเนี่ยใจเข้าอารูปประชานแล้วทำไงใจจะพ้นจากโลกใจจะพ้นจากโลกได้ด้วยความมีปัญญาถ้าขาดปัญญานะมีศีลก็ไม่เปลี่ยนไม่พ้นโลกมีศีลได้เป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดามีสมาธิมีใจสุขใจสงบไม่หลงในกาม ก็ไม่พ้นโลกนะแต่ว่าพ้นจากกรารมาพบผมพ้นจากโลกอย่างที่มนุษย์เขาเป็นสัตว์เขาเป็นเทวดาเขาเป็นมันมีความเต็มความอิ่มมันจะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบขันทีนะลมเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองขันทีหรือเก็บกดทางเพศไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยนะแต่ว่ามันมีความอิ่มมีความเต็มมีความเบิกบานมีความสุขความสงบในตัวของตัวเอง ดานอย่างสัตว์ที่อยู่ในกามเนี่ยมันจะต้องไปเกาะคนอื่นสิ่งอื่นถึงจะมีความสุขต้องอยู่กับสาวคนนี้ถึงจะสุขเนี่ยอาศัยคนอื่นแต่พลมเนี่ยไม่ไปไม่ไปอาศัยใครยิ่มอยู่ในตัวเองใน่ใจมันยกระดับขึ้นมาน้ำคลายออกจากโลกไปส่วนหนึ่งแล้วโลกมันมีสามโลกนะโลกที่หนึ่งเป็นโลกในกามหรือโลกอย่างที่พวกเราเป็นเนี่ยเพลิดเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายโลกอันที่สองเป็นโลกของลมนะ แต่ว่าเป็นพรหมที่ยังมีรูปอยู่พอใจในรูปประชานมีความสุขอยู่ในรูปประชานการเพ่งรูปพรหมอย่างที่สามจะเป็นอรูปอรูปพรหมพรหมไม่มีรูปอยู่กับความไม่มีรูปเช่นอยู่กับความเมตตาอยู่กับความสว่างความว่างอยู่กับจิตอะย่างนี้ทำได้หลายแบบแต่ว่าการที่จะอยู่กับความสว่างความว่างอยู่กับจิตก็ยังเป็นโลกโลกหนึ่งทางยังไงที่จะพ้นจากโลกได้ จะมาฝึกให้พ้นจากโลกด้วยสมาธินะั้นไม่พลเพราะสมาธิทำให้ไปสู่โลกอีกแบบหนึ่งศีลก็ทำให้ไปสู่โลกอีกแบบหนึ่งการทำชั่วก็อยู่ในโลกอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันก็เป็นภพๆพหนึ่งสร้างภพสร้างภูมิที่ไม่ดี เ, เรียกเรียกว่ากรรมาภูมิจิตอยู่ในกรรมอาภูมิในกามาภพการเจริญปัญญานะคือการที่พาจิตใจนะที่มัน ม, ม, มีความรู้เนื้อรู้ตัวไม่หลงในก ร, รม เอาจิตใจที่มันไม่หลงในกามแล้วนะใจที่มันรู้เนื้อรู้ตัวใจที่มันสบายๆนี่แหละใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละเอาใจอันนี้มาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจวิธีเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไม่ใช่เรื่องยากเพราะพวกเรารู้จักกายรู้จักใจอยู่แล้วลองยิ้มสิลองยิ้มลองยิ้มแล้วรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มพยักหน้าสิพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายมันพยักหน้าแค่รู้สึกแค่นี้แหละ นะไม่ต้องดอจอรอดัดจริตนะจะยิ้มก็ต้องนะโอยมากไปเอาพยักหน้าสิเรื่องมากไปนะเรียกว่ากรรมฐานดอจอรอนะ <c oughs> ไม่ใช่หมอจอรอ์ <c oughs> มันมันเรื่องมากเกินไปรู้สึกไมมร่างกายตอนนี้ยิ้มนั่งไกยหวัวเราะรู้สึกไหมรู้สึกไมมจิตใจตอนนี้หลายคนมีความสุขรู้สึกไหม แล้วใครงงรู้สึกไม่ใจกำลังงงง่ายๆแค่นี้เห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวแค่รู้สึกนะไม่เพ่งถ้าเพ่งเนี่ยตึงเครียดเกินไปหลพ่อเห็นท่านนี้นะั้นตืก่กิ้งกาทุกทีเลยเคยเห็นกิ้งกาพพองหัวไหมย <c oughs> อย่างนี้นะเนี่ยยิ้มก็ยิ้มสินะเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกลองขยับมือสิขยับมือ รู้สึกไหมร่างกายมันขยับเนี่ยแค่รู้สึกนะไม่ใช e ่จ้องเนี่ยชอบอย่างเงี้ยนะคนก็เนี่ยนะอะไรทําก็ได้นะแต่ว่ามีสติไม่ใช่ทำแล้วจ้องใจคลียๆทำแล้วแค่รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็แค่รู้สึกไปเนี่ยเคลื่อนไปเคลื่อนไปนะพอใจมันหนีไปรู้ว่าใจหนีไปเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกใจมันหนีไปก็รู้สึกก็แค่คอยรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจ รู้สึกอยู่ที่ใจรู้สึกยังไงได้บ้างรู้สึกสุขรู้จักไหมเวลาสุขใจรู้จักไหมเวลาทุกข์ใจรู้จักไหมรู้จักกิเลสไหมรอบเวลาโลบรู้จักไหมโกรธรู้จักไหมนี่นี่กลัวมากไปเฟิร์เตร์ลามกทีเดียวน้าใจกระสับกระส่ายเลย เนี่ยขณะนี้มีความสุขหรือว่ามีความสุขแค่แค่นี้เองสังเกตไหมลองพอเรารู้ไปเรื่อยๆความสุขค่อยๆหายไปเนี่ยความสุขไม่เที่ยงนี่คือการรู้ความจริงของมันเวลามีความทุกข์เราก็แค่รู้แบบเดียวกับที่รู้ความสุขเนี่ยก็จะเห็นว่าความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันความทุกข์ไม่คงที่ถึงจะทุกข์มากแค่ไหนนะก็ทุกข์ไม่คงที่เดี๋ยวทุกข์มากเดี๋ยวทุกข์น้อยเดี๋ยวทุกข์ก็หายหมุนไปอย่างนี้เรื่อยๆ เนี่ยการเจริญปัญญานะไม่ใช่เรื่องอะไรที่พี่ลึกพี่ล่นพี่เลนนะพี่กลอะไรไม่ใช่เลยร่างกายมันเป็นไงก็แค่รู้สึกจิตใจมันเป็นไงก็แค่รู้สึกนะไม่ต้อง ด, อดจอรอทำแปลกๆหรอกนะรู้สึกไปเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนนะเวลาท่านสอนให้นั่งนทะ่านสอนง่ายๆแม้ภิกษุทั้งหลายให้ถือคูบันลังตั้งกายตรงลมลงสติเฉพาะหน้าสอนง่ายๆ ท่านไม่เคยสอนเลยนะพิสูจทั้งหลายเวลานั่งนะมือของเธอจะต้องวางท่านี้นะนิ้วตรงนี้ต่อกับนิ้วนี้หรือต่ออย่างนี้หรือต่ออย่างนี้ไม่เคยสอนเลยสอนง่ายๆพิสูจนทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่สอนไ้มว่าเดินมีกี่จังหวะไม่เคยสอนเลยเนี่ยคนรุ่นหลังนะมันคิดขึ้นนะคิดขึ้นถ้าในที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆนะง่ายๆใช้ชีวิตอย่างนี้เองนั่งอยู่ขณะนี้นั่งอยู่ไหม นั่งอยู่แล้วทําไมบางคนไม่รู้ว่าน well IS ั่งอยู่เพราะโวไปคิดเรื่องอื่นหรือโมตั้งใจฟังเทศตัวเองนั่งอยู่เราลืมแค่นั่งอยู่เรารู้สึกว่ามันนั่งเห็นอะไรมันนั่งร่างกายมันนั่งใครเป็นคนรู้สึกว่าร่างกายนั่งจิตใจเป็นคนรู้สึกว่าร่างกายนั่งเนี่ยค่อยๆฝึกไปนะกายกับใจมันคนละอันกันร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูหรือเวลาความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนีก็ใจเป็นคนดูความโลบความปล่รยความลงเกิดขึ้นใจก็เป็นคนดู แค่รู้สึกรู้สึกรู้สึกไปสบา ย, บายนะเนี่ยถ้าพวกเราทําได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะเราฝึกรักษาศีลฝึกสมาธิฝึกให้ใจนะไม่เป็นหลงโลกนะให้ใจมันมีความสุขความสงบความอิ่มความเต็มอยู่ในตัวเองแล้วก็มาเจริญปัญญาคุณงามความดีของเราเนี้ยจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเวลาที่เราพาวนาไปเรื่อยๆพวกเรารู้สึกไหมเมื่อภาวนากับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งเนี้ย เรารู้สึกไหมว่าจิตใจของเราเข้มแข็งขึ้นรู้สึกไหมว่าเรามีพลังรู้สึกไหมว่าเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไม่ใช่เป็นเด็กตลอดการภาวนาแล้วทำไมจิตใจมันเข้มแข็งจิตใจมันเป็นผู้ใหญ่จิตใจมันมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาอันนี้เป็นผลจากบารมีที่เราสร้างคือคุณงามความดีทั้งหลายที่เราสร้างนะมันจะสะสมเป็นพลังพลังรวมในนี้ขึ้นมาถ้าเราจเจริญสติจเจริญปัญญาอย่างเดียวนะแล้วก็ ศีลก็ไม่ถือสมาธิก็ไม่ทําเดี๋ยวเดียวก็พังไปไม่รอดหรอกไม่มีแรงอยเจริญปัญญารวดไปเลยไม่เคยทําความสงบเลยไม่มีแรงหรือทําความสงบได้เจริญปัญญาได้ไม่รักษาศีลไม่นานก็เสื่อมนั้นทุกอย่างต้องสมบูรณ์นะความดีทั้งหลายต้องถึงพร้อมที่ผู้เช่าท่านสอนใช่ไหมทำกุศลให้ถึงพร้อมละบาปจะไม่ทําบาปทํากุศลให้ถึงพร้อมไม่ใช่ทําอย่างเดียว ทำให้ถึงพ้อมความดีอะไรมีโอกาสาาทําก็ทําทําไปเพื่ออะไรเพื่อลดรากความเห็นแก่ตัวเพื่อให้ใจเนี่ยมันรู้จักห่างออกจากโลกสบางอย่างาเราทําทานเนี่ยไม่ใช่ทําเพื่อจะเอาบางคนทําทานเพื่อจะเอานะมาใส่บาตรแล้วอธิษฐานขอโน่นขอนี่ขอมากเลยขอจนกระทั่งพระไม่มีจะให้พราะพระก็ไม่มีเหมือนกันนะขอถูกหวยอย่างเงี้ยนะเคยมีคนหนึ่งนะตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆอยู่เบองการ มีผู้หญิงคนนึงใส่บาทแล้วแกก็ไม่สบายแกก็เอาขันข้าวมาขอเอาทุกโศกโรคภัยใส่บาทหลวงพ่อบอกฮะมันไม่ได้เอาข้าวให้เราเว้ยมันเอาทุกโศกโรคภัยใส่บาทเนออี่นี่ทุกนะนี่โศกนี่โรคนี่ภัยนะเหรอเวรแล้ววะอีกวันนึงนะหลวงพ่ออาภต วันนั้นะประฉันข้าวเสร็จแล้วอาพาธเลยยญ่คนนี้หายนะหลวงพ่อบอกครูบาอาเนี่ยตอนนั้นยังไม่บวช น, นะบอกไปบอกโยมทีนะอันนี้หลวงพ่อไปบิดาบาตรไม่ได้นะอาพาธมาก น, นี่เพื่อไปบอกอยญยคนนี้ก็ตกใจฮะพระก็ป่วยเป็นเหรอมันเห็นพระเป็นตัวอะไรมะนเนี่ยทำเพื่อจะเอาใช่ไหมเอาอะไรเอาความสุขความสบายหรือใส่บาตรขอให้ถูกหวยเนะ ทำบุญว่าขอโน่นขอนี่ถ้าทําเพื่อจะเอานะได้บุญเล็กน้อยมันทำด้วยกิเลสแต่ถ้าทําเพื่อสละออกใช่ไหมเราเห็นคนเขาลาบากเห็นหมาผิวข้าวหมาไม่มีคนจะให้ข้าวกินเรามีข้าวพอจะให้ได้เราแบ่งให้อนะไรเงี้ยเราให้เพราะใจเราอ่อนโยนใจเราเมตตาเราไม่ได้เห็นแก่ตัวถ้าทําด้วยความไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยจะฝึกใจตัวเองให้เข้มแข็งที่จะออกจากโลก ถ้าทำไปเพื่อจะสะสมกองกิเลสนะมันได้เหมือนกันนะมันก็ได้อย่างพระานนทนะท่านเคยทำบุญแล้วท่านอธิษฐานขอให้ลูกหล่อไม่ใช่ชาตินี้นะนานมาแล้วเกิดมาที่ไรหล่อเฟี้ยวเลยสาวๆ า, วาวมาตามจีบนะสุดท้ายไปเป็นชู้กับเเป็นชู้ขเขาท่านบอกท่านตกนรกสิ้นกาลนานพ้นจากนรกนะอยู่ทุขติสิ้นกาลนานแนละ้วก็มาเป็นเป็นบัวนะเกิดเป็นบัว เป็นวัวเนี่ยกุศลให้ผลเป็นวัวรูปหลอ่อเวลาอยู่วัวตัวนี้เดินไปไหนเนี่ยวัวตัวเมียจะวิ่งตามเป็นฝูงเลยเจ้าของทนไม่ไหวลำคาญจับตอนเลยเนี่ยท่านบอกว่าเศษกรรมมาเรื่อยๆนะสุดท้ายพอมาเป็นคนยังเป็นกระเทอยอยู่อีกตั้งหลายชาตินะเป็นอย่างนั้นะอีกหลายชาติเลยเนี่ยเพราะว่าทำทำบุญแต่ว่าโลภขออะไรขอหลอ่อมันร่อแหลม หรือทำบุญแล้ขอรวยรวยขึ้นมาจะไปทําชั่วก็ได้ใช่ไหมคนมีเงินเยอะๆเวลาทําชั่วทําได้เยอะเหมือนกันนะคนจนๆบางทีไม่มีแรงจะทำชั่วเท่าไหร่หรอกนะบางทีคนที่แข็งแรงคนที่เก่งคนที่หรอคนที่ฉลาดอะไรพวกเนี้ยเวลาทําชั่วทําได้เยอะเลยเราะนั้นเวลาที่เราสร้างคุณงามความดีเท่าไหร่นะสร้างเพื่อเอาออกไม่ใช่สร้างเพื่อเอาเข้าแต่ยิ่งเอาออกเท่าไหร่ใจยิ่งเข้มแข็งเท่านั้นใจจะยิ่งเติบโตเท่านั้นนะ ติบโตยังไงมันจะรู้สึกว่าโลกเนี้พึ่งพาอะไรไม่ได้แต่มันพึ่งตัวเองได้เนี่ยตนมันเป็นที่พึ่งแห่งตนมากขึ้นมากขึ้นนะไม่ใช่พอนาะแล้วป้แปปแปอแแ่ะปอแแ่ะคอยยังาไมา่ให้ครูบาอาจารย์ช่วยอยู่ด้วยเลยอย่างกระสงคกันบ้านนะัะจิตหนูเป็นยังไงจิตหนูเป็นยังไงมันก็เรื่องของหนูจิตหนูก็เป็นไปตามกรรมของหนูนั่นแหละเห็น<ม> ไ, ไหมเออถ้ามาถามต่อไปนี้จะย้อนแบบนี้แล้วนะเออจิตหนูเป็นยังไงก็เป็นอย่างที่หนูเป็นสิ ถ้าหนูไม่รู้ของหนูเองถามคนอื่นจะได้อะไรขึ้นมาช่วยตัวเองค่อยๆฝึกนะงั้นทําอย่างที่หลวงพ่อบอกนะใจเราจะค่อยเข้มแข็งจิตใจเราจะมีพลังมากขึ้นมากขึ้นนะต่อไปเวลาแก่เราเห็นร่างกายมันแก่ใจไม่สะทกสะทานเวลาเจ็บมันเห็นร่างกายเจ็บใจไม่สะทกสะทานเวลาตายเห็นร่างกายตายใจไม่สะทกสะทานเวลาคนที่เรารักพลาดพลากไปก็รู้สึกว่าธรรมดาเขาอยู่กับเรามาตั้งนานแนละ้วอย่างบางคนนะ สามีทิ้งไปโอ้หความดีที่สามีสะสมมาสิปีนี่ลืมหมดเลยนะมันไปมีแฟนทีเดียวมันไปมีชู้ทีเดียวนะแค้นมันหมดเลยนึกตลอดเลยว่ามันเลวมันตั้งแต่เด็กนะแม่มันเคยเล่าให้ฟังเลวเรื่องนี้โอ้ความดีมันไม่เหลือสักนิดเลยเนาะถ้ามองเป็นนะเออมันดีกับเรามาตั้งสิบปีแล้วนะเออย่างเนี้ยแหมมันก็ดีนะมันก็เป็นคนดีแต่ตอนนี้มันพลาดมันแพ้กิเลสถ้ามองอย่างนี้นะใจมันก็มีความสุขนะ ใจมันค่อยคลายออกของที่เคยมีเสียไปก็ยังดีที่เคยมีอย่างน้อยก็ได้ได้เคยได้ใช้ของดีๆมาแล้วนะแล้วก็เสียไปเป็นเรื่องธรรมดาจะเสียตอนนี้หรือจะเสียวันข้างหน้ายังไงก็เสียสุดท้ายเสียหมดเลยนะกระทั่งกายนี้ใจนี้ก็ต้องเสียไปงั้นเราอยู่กับโลกนะฉลาดเรียนรู้โลกไปรักษาศีลฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะเรียนรู้ความจริงของรูปนำกายใจไป ใจันจะค่อยเติบโตค่อยเข้มแข็งอยู่กับโลกได้โดยที่โลกมันกัดเราไม่ได้มันทำร้ายเราไม่ได้นะมีความสุขต่อไปใจก็หลุดออกจากโลกเพราะว่ารู้ความจริงแนละ้โลกนี้มีแต่ทุกข์ถ้าใจมันรู้ความจริงว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์ใจมันจะทิ้งสลัดคืนไก่นี้เป็นทุกข์ใจจะทิ้งกายเลยไม่ยึดถือก็เห็นว่าจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเป็นก้อนทุกข์มันไม่ยึดถือจิตเราไม่ยึดถือจิตนี่เป็นของอศัศจรรย์ที่สุดเลย อย่างพวกเราตอนนี้เรารู้จักไม่ยึดถือได้2 อ, อย่างเราไม่ยึดถืออารมณ์ได้รู้สึกไหมบางทีใจจับอารมณ์แล้วใจปล่อยอารมณ์ตอนที่ใจปล่อยอารมณ์รู้สึกไหมหมีความสุขออแล้วเคยรู้สึกไหมกายกับใจมันคนละอันกันใจมันไม่เข้าไปจับร่างกายไนมะมีความสุขนะเพราะมีความสุขแฝงไปอีกแบบหนึง่งถ้ามันปล่อยจิตได้นะไม่มีอะไรเหมือนเลยเออไม่มีอะไรเหมือนแต่บางคนนั้นึกๆ็ไปปล่อยเอาเองอย่างที่หลวงพ่อพูดตอนต้นๆจาได้ไหม นึกถึงว่าพระอรหันต์ไม่ได้ยึดถืออะไรไม่ยึดถือกระทั่งจิตน่ะกูปล่อยทิ้งเลยอยู่ๆปล่อยทิ้งเลยก็บ้าเท่านั้นเองนะมีนะไปเจอพระองค์หนึ่งไปหาหลวงพ่อที่เมืองกรมาถึงนหน้าตาอย่างนี้มาเลยแล้วก็ขยา่าท่านเป็นอะไรผมทิ้งตัวรู้ไปแล้วนะนี่นะไม่อย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้สติแตกต้องรู้สึกต้องรู้สึกก่อน รู้สึกรักษาจิตเอาไว้รักษาจิตเอาไว้จนถึงวันสุดท้ายแล้วนะวันที่จิตจะข้ามจากโลกอ่ะมันถึงจะพอนวางจิตจิตจะปล่อยวางจิตตัวจิตผู้รู้ที่พวกเราฝึกกันขึ้นมาให้จิตเป็นผู้รู้เนี่ยเหมือนเรือขณะที่เรายังเดินทางข้ามวัฏะไม่ได้ะอยู่กลางทะเลนี่อย่าทิ้งเรือต้องมีเรือถึงบอกว่าต้องมีจิตเป็นที่เกาะมีจิตเป็นที่พึ่งนะมีมีตนเป็นที่พึ่งนั่นแหละ จิตนั่นแหละคือตนเขาบอกมีจิตเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งเป็นที่เกาะที่อาศัยรักษาจิตรักษาใจผู้รู้ไว้แล้วก็เรียนรู้ความจริงของรูปนามไปถึงวันที่เรือนี้เข้าเทียบฝั่งแล้วเวลาเรือเทียบฝั่งแล้วเราก็โดดจากเรือข้ามขึ้นฝั่งแค่ก้าวเดียวเท่านั้นเองข้ามได้ไถ้าเรือยังห่างฝั่ง3าวายโดนลงน้ําไปเลยแล้วก็โดนเรือเบียดกับฝั่งตาย แ, แตบแต่เลยเนี่ยต้องรอให้เรือเข้าชิดฝั่งจิตมันจะเดินไปถึงจุดที่จิตเข้ามาถึงจิตนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะแล้วจิตจะปล่อยวางจิตของจิตเองตรวนั้นอนะ่ะมันจะโดดข้ามช่วงที่กระโดดข้ามนะเท้าหนึ่งยังไม่ถึงฝั่งเท้าหนึ่งพ้นจากเรือแล้วแต่อีกเท้าหนึ่งยังไม่ถึงฝั่งช่วงนี้ช่วงขณะจิตเดียวเรียกว่าโครตรภูโครตรภูยานเกิดขึ้นยานข้าม ข้ามจากถ้าเป็นตอนเป็นโสดานะข้ามจากบุตุชนไปเป็นอโศดาแล้วขั้นสุดท้ายเนี่ยข้ามจากวัตตะเลวัตตะเนี่ยถล่มลงต่อหน้าต่อตาเลยนะบางองค์ทั้งก็ห็นได้ยินสาวเอฟเฟกนะโลกธาตุสะเทือนสะเทือนเพราะพวกเทพพวกอะไรนี่อนุโตทนาฝนะึกหนะ้าของดีก็มีอยู่ในศาสนาเรานี่แหละที่อื่นไม่มีหรอกเจอศาสนาแล้วก็ต้องภาวนาให้มันได้เรื่องได้เราอย่าเลวไหล ฝึกไปทุกวันใจเราเข้มแข็งเติบโตใจเราออกจากโลกออกมาได้หน่อยหนึ่งก็มีความสุขทั้งเยอะแล้วรู้สึกไหมออกมาต่อไปออกออกออกหลุดออกไปเลยนะไม่ใช่สติแตกนะพระอรหันต์ถามว่าเดี่ยวเมื่อวานดรธรรมตามหลวงพพระอรหันต์มีสติตลอดเวลาไหมมีบางคนเขาว่าอย่างนั้นดร์ถึงไม่เห็นด้วยหลดฉลาดแล้วที่ไม่เห็นด้วยจิตมีทั้งหลายประเภทอย่างจิตที่มองเห็น เยกจากรครูวิญญาณจิตยังไงก็ไม่มีสติมันเป็นวิบากจิตไม่ดีไม่เลวจิตที่เป็นจะมีสติหรือไม่มีสติจะมีกุศลหรือมีกิเลสไดเ้เรียกชวนาจิตจิตที่เสพอารมณ์แต่ถ้าเป็นไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยจิตยังเสพอารมณ์อยู่แต่ถ้าพระอรหนันต์นะไม่เสพไม่ได้ เ, เสพอารมณ์นะแต่ว่ารู้อารมณ์อยู่แต่ไม่เสพแต่ตรงนั้นอะสติมันทํางานขึ้นมาสมาธิปัญญามทํางานเต็มที่ไม่ต้อง เจตนาให้สติเกิดเลยนะไม่มีการรักษาสติเลยสมาธิก็ไม่ได้รักษาปัญญาก็ไม่ได้เจริญแต่จิตที่มันฟักฟอกฝึกฝนของมันเต็มที่แล้วนะไม่มีอะไรมาผลเปื้อนมันได้เลยมันไม่แอบสอบอะไรทั้งสิ้นเลยโดยที่ไม่ต้องรักษาฉะนั้นจะถามว่าพระอรหันต์มีสติไหมมีสติพระอรหันตรักษาสติไหมไม่รักษาไม่รักษาแต่พระอรหันต์มีสติตลอดเวลาไหมไม่ตลอด มีสติเฉพาะในชาวนาจิตนะอย่างจิตบางดวงเนี่ยจิตจิตได้ยินจิตได้ยินไม่ดีไม่ชั่วหมาได้ยินเกืพระอรหันต์ได้ยินจิตแบบเดียวกันไม่ได้มีความดีความชั่วอะไรงั้นเนี่ยค่อยๆเรียนนะอย่ามัวค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆแล้วจะพบของดีของวิเศษของดีของวิเศษเรารู้ได้ด้วยตัวเองถึงวันที่ใจมันคลายออก เนี่ยใครออกคนละนิดคนละหน่อยก็มีความสุขตั้งเยอะแล้วหน้าตาใสใช่แต่ละคนไปสองกระจกแล้วรู้ไหมหน้าไม่เหมือนเดิมใครรู้บ้างเออคนไม่พานาเขาก็รู้สองแล้ววิ้ตีนกาขึ้นหน้าไม่เหมือนเดิมจริงไม่ใช่ใ จ, ใจมันผ่องนะมันผ่องไปฝึกเอาสอนให้ทั้งเยอะแล้วนะอยู่ที่ต้องทําเอาเองแล้วลนะ่ะตัวใครตัวมันหมดหน้าที่หลวงพ่อแล้วต้องช่วยตัวเองเป็นหน้าที่ของแต่ละคนต้องทําเอาเอง พอสมควรแก่เวลากราบมรดกการหลวงพ่อนะครับก็ผมเคยปฏิบัติมาบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังหาตัวตนไม่พบว่าจะปฏิบัติทำอย่างไรให้ตรงกับจริตของตัวเองของโยมเป็นคนคิดมากนะเป็นคนช่างคิดเพราะนั้นโยมเนี่ยคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเราใช้กรรมฐานตัวนี้จิตตานุปัสสนาไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองหรอกในคำภีเราเนี่ยสอน จิตตานุปัสสนานี่เหมาะกับพวกทิฏฐิจริตพวกช่างคิดนะช่างคิดช่างพิจารณาแทนที่จะคิดหาคําตอบเนี่ยต่อไปนี้ค่อยรู้ความรู้สึกของตัวเองไม่คิดหาคําตอบแต่คอยรู้ความรู้สึกของตัวเองมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้โลภก็รู้โกรธก็รู้พุ้งซ่านก็รู้หดหูกก็รู้ค่อยรู้ความรู้สึกของตัวเองเนืองเนืองต่อไปปัญญาจะเกิดไม่จะเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไป เล่นอันเดียวก็พอแล้วละกรรมฐ า, านสําหรับคนคนหนึ่งไม่ได้ใช้เยอะหรอกรู้สึกไหมโยมช่างคิดคราบรู้สึกครับนะเอองั้นกรรมฐ า, านที่หมอก็คือรู้ความรู้สึกก า, ก, การรักษาการจะขาดหลวงพ่อเขาที่แล้วยมส่งกันล่านที่วัดพระธาตุกดแก้วหลวงพ่อบอกว่าโยงให้ไปดูจิตที่ไปเข้าฐานยยมก็อพอจะเข้าใจแล้วจ้าค่ะเห็นยังเห็นเจ้าค่ ะ, คะแล้วตอนนี้เข้ายัง ตอนนี้มันตื่นเต้นกระจายทุกอยมันกระจายถูกถ้าอย่างนี้ถูกใจนะถูกใจถูกใจหลวพ่อสจาคะตอนที่นั้นตอนแรกที่ส่งกันบ้านนะคะโอ้จีนมันนี้กําลังมากมันเห็นสภาวะธรรมชัดเจนมากค่ะหลังจากนั้นก็เจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมถูกละวเท่านันถูกลนะคะแต่ตอนนี้มันรู้สึกมันมันนั่งไม่ได้ค่ะเจ้าค่ะมันฟูเดี๋ยวต้องเดินอย่างเดียว ให้รู้ทันใจที่ฟุ้งนะแล้วก็น้อมใจกลับมาที่ร่างกายไหมเวลาที่ใจฟุ้งส่้นมากดูจิตใจไม่ไหวแล้วเนี่ยดูกายเพราะกายไม่เคยฟุ้งสั้นกายอยู่ตรงนี้แหละรู้สึกอยู่ในกายไปเรื่อยๆหางานทํานะไปวัดพระธาตุโกดแก้วหาไม่ขวาดขวดไปเรื่อยๆอย่างจุกันวาดของโยมตัวนี้ใช่ไหมคะจิตมันไม่เข้าฐาน แล้วเรากวาดไปแก<ช><ช>จะกระจายอย่าให้กระจายเกินร่างกายออกไปคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายไว้แต่ไม่ถึงขนาดเพ่งนะแค่รู้สึกแค่รู้สึกอยู่ในร่างกายาไม่ใช่เพ่งร่างกายเพ่งแล้วใจเครียดไม่ดีเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะคนนี้ก็กลัวเหมือนกันนะผู้ชายก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับตื่นเต้นมากครับบางคนน่าคุยกับหลวงพ่อนะตื่นเต้นกว่าจีบสาวอีกนะจีบสาวยังไม่ตื่นเต้นเท่านี้เลยครก็อ่อ อ น, นุโมทนากล <c oughs> <c oughs> ับนมัส ก, การหลวงพ่อปามอครับ <c oughs> ก็ส่งกันบ้านต่อจากสี่เดือนที่แล้วที่นี่นะครับก็ระยะเวลาที่ผ่านมาก็จิตใจก็พัฒนานไปหลายอย่างนะครับแล้วก็มีแวะพักข้างทางบ้างนิดหน่อยนะครับก็คือจิตเขาไปติดอารมณ์อยู่หลายวันนะแล้วก็แก้ออกมาอืแล้วก็ประมาณสองอาทิตย์ก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าจิตเขาจะ มีความยอมรับอในการที่จะต้องไปหมุนเวียนไปเกิดทางรูปทางนามอย่างนี้ยครับแล้วก็ช่วงหลังนี้ก็พยายามเข้าไปดูความคิดอที่เขาคิดว่าเ อ, อใครใครเป็นผู้คิดอย่างเนี้อนัตตสัญญาเข้าไปใช้ตรงนี้ครับอ mm. ครับแล้วก็หลักภาวนาของผมก็คือคอยรู้สึกในกายในใจนะครับ พิจารณาไปด้วยแล้วก็ดูใตหลักไปด้วยอันนี้ครับถูกแล้วล่ะจำอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้ตื่นเต้นจิตไม่เข้าบ้านครับอันนี้ออกค่ะครับก็ระยะเวลาที่ผ่านมาผมภาวนาก็มีกิเลสมากนะครับสังเกตไหมตอนนี้จิตติดอารมณ์รู้สึกตัวอ่ะว่างไปครับก็ที่ผ่านมาผมก็ มีกิเลสมากนะครับก็ต้องลม้มลุกคุกคาดแล้วก็ตะเกียกตะกายเรื่อยมาออนะครับนอกจากหลักคำสอนที่ครูบาอาจารย์แนะนำแล้วก็น้อมนำมาปฏิบัตินะครับออผมก็มีใช้ศีล ส, สมาธิสติปัญญานะครับแล้วก็ข้อธรรมตัวอื่นอื่นอีกอย่างเช่น ขันตินะฮะธรรมะจาคะาอื ม, อมแล้วก็หลายๆครั้งก็ต้องใช้สัจจะครับอืมถูกครับความดีเท่าไหร่รู้จักเอามาใช้เป็นอาวุธนานาชนิดนะบางทีก็ต้องสู้โดวยวิธีนี้บางทีก็ต้องสู้โดวยวิธีนี้เคยสวดพาหุงไหมชอบครับพระพุทธเจ้ามีอาวุธตั้งหลายตัวเใช่ไหมครับสู้กับคนนี้ใช้ขันติสู้คนนี้ใช้สัจจะอย่างเงี้ยสู้คนนี้ใช้เมตตา สู้คนนี้ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาังนั้นแค่มองหยาบๆนะสู้คนอื่นแต่เวลาเราสู้กิเลสในใจเรามันก็พลิกแปลงแบบนั้นเหมือนกันกิเลสบางตัวก็หอมหวานใช่ไมยั่วยวนกิเลสบางตัวก็ดูร้ายนะแล้วเราสู้โดวยวิธีต่างๆความฉลาดมันค่อยเกิดขึ้นหน้าใจมันมีสติมีสมาธิขึ้นมามันก็มีปัญญารู้ว่าจะสู้อย่างไรแล้วถ้าสู้แบบนี้จะได้ผลอย่างนี้ ถ้าเผชิญกับมันแบบนี้จะได้ผลอย่างนี้จะไม่เหมือนกันอย่างถ้าเราเห็นมันเกิดดับเราได้ปัญญาถ้าเห็นมันกิเลสมาแล้วเราเอาชนะมันได้เราได้สมาธิอย่างนี้ครับก็ด้วยการกล่าวสัจจวาจานี้นะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายของหลวงพ่อธาตุขันของหลวงพ่อแข็งแรงครับอนุโมทน า, นาสาุนี่มีปีติคือกระแสกระแสที่เขา อ, อธิฐานนะ สัจจการิยาเนี่ยเป็นของพิเศษอย่างหนึ่งนะแต่เราต้องมีสัจจักเนี่ยังผลลุบไม่หายหมดพลังมันไหลมาอนุวัท น, นาด้วยระว่างอันหนึ่งรัตการแคปหนึ่งนะแคบปบหนึ่งใจต้องเป็นธรรมชาติจริงๆนะใจตอเนตเกินธรรมชาติอยู่นิดนึงมีการรักษามันนุ่มกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมออให้รู้ทันตัวนี้นะอ่ายอมว่ามา มัจการหลวงพ่อค่ะลูกอยู่บ้านนั่งสมาธิไม่รู้ถูกหรือเปล่าค่ะเว้ยถูกสินั่งเธอลูกนี่หลวงพ่อมีลูกขนาดนี้แล้วนะเป็นลูกในธรร ม, มะมจะไปถามใครอะค่ะมาแล้วหลวงธรรสังเกตไหมเรานั่งไปเนี่ยแต่ละวันใจเราไม่เหมือนกันบางวันเรานั่งไปนะใจเราก็มีความสุขใช่ไหมบางวันใจเราก็ฟุ้งซ่าน เนี่ยเราก็นั่งของเราทุกวันอนะ่ะแต่นั่งแล้วใจมีความสุขก็รู้นั่งแล้วใจฟุ้งซ่านก็รู้นะนั่งแล้วหดหู่ก็รู้นั่งแล้วกังวลก็รู้นั่งแล้วน้อยใจก็รู้อนะไรเนี่ย <cheers. S 1> ใจมันเป็นยังไงนะรู้ไปเรื่อยเราก็นั่งไปนะ <ฮะ S 1> อย่างนั้นแหละเราจะได้ของดี <ฮะ S 1> ถ้านั่งให้สงบนั่งก็ธรรมดาเราสงบได้เดี๋ยวก็ฟุ้งได้ส <ฮะ S 1> ู้เรานั่งแล้วเราเห็นใจมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ได้วันหนึ่งใจมันพ้นเลยเนืออว่ากันเยอะ กับนมัสการหลวงพ่อค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่จะขออนุญาตสงกันบ้านค่ะเพราะทุกวันก็ได้ภาวนาอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะถูกไีมคะจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมก็คล้ายๆค่ะคล้ายใช่ไหมค้ายติดสมถะนิดหน่อยนะกรรมาฐานเดิมที่ทำไหมมันค่อนข้างจะเป็นลักษณะเป็นน้อมให้นิ่งไป เราทำซิทำกรรมฐานที่เคยทำรู้สึกไหมว่าเราบีบจิตรวบเข้ามาออพอบีบเข้ามาได้ที่แล้วก็รักษาไว้นะพอเราเลิกบังคับแล้วมันจะค้างอยู่เหมือนันใจมันจะนิ่งกว่าความเป็นจริงต่อไปนี้อย่าไปรวบจิตเข้ามาแบบนั้นนะทำกรรมฐานสมมตเราจะเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายพองยุบนะเห็นด้วยใจที่ปกติเลยเราไม่ไปบีบจิตให้ใหแฟบลงมาอย่างนี้นะ เอาใหม่หายใจแรงๆก่อนหายใจแรงยิ้มหวานหวานหวานหวานเออนั่นอ่ะต้องยิ้มอย่างนีๆๆ้คือยิ้มแล้วใจมันคลี่ออกนะแลวใจมันคลี่ออกเนี่ยแล้วใช้ใจที่คลี่ออกมาแล้วคลี่นะไม่ขี้นะคลี่อะเห็นร่างกายมันหายใจร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันนั่งด้วยใจที่สบายนะไม่ใช่เอาใจรวบปุ๊บเข้ามาอย่างนี้นะจะทื่อซื้อบื้อไปเรื่อยๆแล้วติดติดสมถะไม่ดี ต้องแก้นะไม่งี้นจะนิ่งเกินไปนิ่งแล้วเป็นไงนิ่งแล้วเป็นคนดีแต่ไม่นิพพานกลับนมัส ก, การหลวงพ่อครับมีการบ้านมาส่งหนึ่งข้อแล้วก็มีคําถามสองคำถามนะครับรมมรกันบ้านข้อเดียวสองคำถาม <c oughs> <c oughs> กันอ่กากันบ้านก็คืออย่างฟังเทปหลวงพ่อเป็นประจานะครับหลวงพ่อสัง่งให้ทําอะไรก็ทําอย่างหมดแยะบอกให้ยิ้มยิ้มเหมันหวานก็ยิ้ม ก็วิธียิ้มนะต้องยิ้มให้ใจมันคลายออกใช่ครับรู้สึกไหมบางทียิ้มแต่หน้านะใจซึ้งช่วงแรกๆก็จะยิ้มแต่ปากเฉยๆแต่ยันไม่ได้แต่พอนานๆครั้งบ่อยๆเข้ามันก็จะยิ้มมาจากข้างในเอบางทีเดินอยู่เนี้ยครับเสียงหลงพ่อก็จะดังอยู่ในหัวอืแล้วก็ยิ้มเดินยิ้มอยู่คนเดียวเหมือนคนบ้าไม่บ้าหรอกอหลวงพ่อแต่ก่อนก็เป็นนะเราพอนานนะใจแล้วมันยิ้มอยู่ด้วยนะเดินมันก็ยิ้มอยู่ของมันเองอ่ะ ครับนะแต่ไม่ให้ไปเดินเจอใครก็ยิ้มใส่เขานะเหมือนยิ้มนิดๆอ่า uh huh. มยิ้มมันอิ่มอยู่ข้างในครับกันบ้านก็คือเมื่อประมาณสามเดือนที่แล้วนะครับขณะที่กําลังนั่งดูทีวีอยู่นั้นมันมีฉากที่แบบมันน่ารักอะครับแล้วเราก็เห็นร่างกายมันยิ้มของมันเอง เ, ออเห็นกล้ามเนื้อตรงมุมปากมันหดแล้วก็ยกขึ้นเ อ, อ, เ อ, อแล้วเราก็ตกใจเพราะว่าเราเห็นว่าตัวเราเองอะ ไ, ไม่ได้ยิ้มออแต่เราเห็นร่างกายเรายิม้มนั่นแหละ ขันมันแยกไงครับมันเห็นว่ากายกระใจน่ะคนล่านกันใจนะ่ะคือตัวเราเป็นคนดูใช่ครับร่างกายไม่ใช่ตัวเราครั้งนี้เป็นครั้งที่เห็นชัดที่สุดนะ ค, ะ<ช>ครับอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อเดือนที่แล้วไปนั่งวิปัสสนามาก็ในขณะที่จิตกําลังเคล้าเคลียกับลมหายใจอยู่นั้นร่างกายมันกึนน้ําลายะะอ่ะครับก็เห็นลุกกระเดือกมันกระดกขึ้นกระดกลงแล้วเราก็อ๋อจิตเรายัางอยู่ที่ลมอยู่นะแต่ร่างกายมันสามารถอืม สัส่สดงด้วยไม่ได้อะครับก็เห็นร่างกายทํางานไปเรื่อยๆนะครับใจเป็นคนดูร่างกายไม่ใช่เราฝึกอย่างนี้เรื่อยๆส่วนตัวจิตเนี่ยเราไม่รักษาให้คงที่นะจิตนี้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งครในหมุนเวียนไปเรื่อยๆการที่จิตพลิกแปลงไปเรื่อยๆนั้นดีดีกว่าจิตอ ย, อยู่เฉยๆถ้าจิตเฉยคงที่ต้องแก่ติดสมถะอีกอันหนึ่งนะครับในขณะที่นั่งปรัชนาอยู่นั้นเฮอ กล้มเนื้อตรงน้องครับมันเกร็งแล้วความเจ็บมันก็วิ่งไปที่เท้าะครับแล้วเท้าก็รู้สึกว่าเท้ามันขยับมันบิดอย่างนี้เลยนะครับ<ม>แล้วเราก็นั่งดูไปเรื่อยๆแต่แล้วพอหมดเวลาที่เขาคือเขาจับเวลานั่งวิปัสสนาครับพอหมดเวลาเราลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าเท้าของเราอยู่ที่เดิมไม่ได้ขยับเลยเราก็เห็นว่าจิตมันปรุงแต่งของมันเองได้ได้ไดครับ แล้วก็เลยตอนเดินออกมานั้นก็เลยถอยจิตกลับเข้าไปข้างในอะครับก็เห็นว่าร่างกายมันเหมือนหุ่นยนต์แล้วก็เรานั่งอยู่ในห้องควบคุมโดยที่ไม่ได้ควบคุมมันเราไม่จงใจอยู่ในห้องควบคุมนั้นนะครับถ้าจงใจจะติดสมาธิอีกแบบหนึ่งอ๋อเนียกาลังจะทำถามข้อต่อไปนะครับเพราะว่าตอนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ลองถอยจิตกลับเข้าไปใหม่แล้วก็ออกมาใหม่แต่ปรากฏว่ามันมีความสุข อยู่ทั้งวันเลยครับแล้วก็เลยก็เลยหยุดทําก่อนก็เลยมาถามหลวงพ่อว่าไม่ไม่ให้ถอยจิตกลับเข้าไปข้างในใช่ไหมครับเข้ า, เ ข, าเข้าเองถ้าจงใจเข้าไปนะต่อไปตัวผู้รู้มันจะเที่ยงครับมันจะเห็นว่าของไม่เที่ยงนะกลายเป็นของเที่ยงคือจิตนี่ของเป็นทุกข์นะเราเห็นว่าเป็นสุขอืของไม่ใช่เราบังคับไม่ได้ก็รู้สึกบังคับได้ครับงั้นถ้าเราวางจิตผิดเดินจิตผิดนะแทนที่จะเห็นไตรลักษณ์นะมันเห็นจับข้างเลย งานถ้าจิตเขาจะถอยเข้าไปก็เรื่อง ข, ของเข า, เขาใช่ัหม<อ><อ>ครับเราก็เห็นว่าจิตถอยเข้าไปครั บ, รบจิตออกมารู้ว่าจิตออกมาเห็นจิตทํางานของจิตเองนะเพราะฉนั้นจิตเราเป็นธรรมชาติที่สุดเลยเราไม่เข้าไปแทรกแซงสักนิดเลยคไม่ใช่ว่าต้องกําหนดจิตไว้ตรงนี้ถึงจะถูกกําหนดจิตไว้อย่างนี้ดีกว่าเอาไว้ตรงนี้ไม่มีหรอก อ่าข้ออีกข้อหนึ่งนะครับเมื่อประมาณสองปีที่แล้วเคยสอบถามหลวงพ่อว่าที่เคยเห็นตัวเองเป็นศพในกระจก่ะครับสังนั้นก็เลยไปหาหนังสืออสุภะมาดูไปดูวิดีโอการชนะสุดศพใน u t u b e อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ปรากฏว่าดูแล้วมันสนุกนะครับมันรู้สึกเหมือนได้เรียนหนังสืออะไรเงี้ยตื่นเต้นไปกับเขาก็เลยไม่ดูแลหยุดดูครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงปู่เทศน่ ท่านทาบสอนอสุภาเหมือนกันแต่ท่านบอกว่าท่านจะไม่สอนพวกหมอพวกหมอเนี้ยสอนอสุภาไปดูพอเห็นนะอ๋ออันนี้กล้ามเนื้อนี้ชื่อนี้ใช่ใช่ใชไม่ได้เรื่องหรอกเห็นศกชนิดต่างๆอุยตื่นเต้นจังเลยเลยนะนมันสนใจแทนที่จะใจสลดลงมาไม่เป็นใช่มันไม่สลดแต่ว่าทุกวันนี้เวลาอย่างเวลาบางครั้งนะครับก็จัดการชำละตัวเองอย่างนี้ได้ไหมครับได้ แล้วก็บางครั้งฉีกกระดูกออกไปเลยนะให้กระดูกขาดออกเป็นท่อนๆดึงกระดูกให้หลุดออกเป็นท่อนๆอฮะเหมือนบางครั้งเจอคนหล่อคนสวยอะไรเงี้ยเราก็ชำระเขาเลยอะไรอย่างนี้ได้ชำระตัวเราสิไม่ชำระเขาล่ะอ๋อค่ะดูลงไปหน้าของคุณะดูไปจนถึงกระดูกกระเด็นออกไปเป็นท่อนๆนะถึงจะดีอันนี้ต้องคิดนำก่อนคิดนำก่อนค่อยๆคิดๆไปเนี่ยกระดูกแขนกระดูกขานะ แยกออกไปนะหัวกระโหลกแตกอย่างเงี้ยเล่นเข้าไปให้ถึงกระดูกถนะ้าลกที่เนื้อที่หนังยังไม่พอของคุณครับครับ น, รน้ำมาสการหลวงพ่ อ, อปฏิบัติมานานแล้วเพิ่ง ม, มีโอกาสส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะโยมตอนนี้ปฏิบัติก็ไม่รู้มันก็เพิ่มตรงระหว่างอกไหมคะถูกๆูก เห็นม you know, ันกระเพิ okay. ่มได้เองไหมเวลาตาเรามองเห็นนะตัวนี้ก็กระเพิ่มนะะหูได้ยินเสียงตัวนี้ก็กระเพิ่มอมได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสหรือใจคิดตัวนี้ก็กระเพิ่อมคระเพิ่มทั้งวันเลยแล้วทุกข์ไหมทุกข์ค่ะทุกข์สุดยอดเลยตัวเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเราดูเนี่ยเราจะเห็นทุกข์ถ้าเราเห็นมัตะที่ทํางานอยู่กลางอกนะต่อไปจะเห็นในทุกข์แล้วเวลาทุกข์มากๆเนี่ยมันเหนื่อย เหนื่อยมากค่ะถ้าเหนื่อยต้องทําสมถะก็ค่ะทนะ่านทำสมถะกลับไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆก็ได้จะค่ะนะให้ใจมันสงบหยุดดูตัวนี้ชั่วคราวะนะพุโทโธพุโทโธไปเรือหายใจไปอะไรก็ได้ให้สงบพอสงบแล้วนะจิตมีแรงแล้วกลับมาดูใหม่จค่ะนะมันก็จะเห็นไใ้ตัวเนี้ทุกแต่ใจเราไม่ทุกนั่นโยมหลวงพ่อมีอะไรชี้เนี่ยโยมมีนี่ไงสอนแล้ว จ้าคไปฝึกนะทำความสงบเข้ามาพอใจมีแรงแล้วก็เห็นไอ้ตัวนี้ทำงานต่อไปจ้ะขอพ่อคุณจ้านำมศ ก, กาหลงพ่อค่ะหนูไปนั่งดูมือค่ะดูเห็นว่ามันเป็นสิ่งแปล ก, กปลอมเข้ามาเออถูกเห็นว่ามันไม่ใช่มือแล้วอะค่ะมันมันเป็นอย่างอื่นแล้วก็เกลียดมันไหมรู้สึก ยังรู้สึกเฉยเฉยไม่นาดนเฉเฉยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกลียดมันเนี่ยให้รู้ทันเลยนะยใจไม่ชอบนะบางทีบดูร่างกายพิจารณาร่างกายแล้วก็เกลียดร่างกายบางคนฆ่าตัวตายเลยนะสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระฆ่าตัวตายไป500ห้าร้อยองค์เพราะพิจารณาร่างกายเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าพอดูร่างกายถ้าใจมันไม่ชอบเลยนะใจมันไม่ชอบขยะกขยงเกลียดนะทําความสงบก่อนเรนะาไปรู้ลมหายใจไม่ต้องมาดูกาย แต่ถ้าเราดูไปแล้วสบายใจเราสบายเห็นมันไม่ใช่ตัวเราเห็นอะไรเงี้ยอย่างนี้ดีอแต่ตอนที่เห็นมันไม่ใช่เราอ่ะค่ะมันจะมารู้สึกตรงกลางอกอืมมันจะมีอะไรดิดดิ้นอยู่นั่นแหละนั่นแหละนะมันดิดอยู่ตรงนั้นแหละสุขทุกข์ดีชั่วมผุดขึ้นตรงนั้นแหละเวลาที่อริยมรรคเกิดนะก็แหวกขึ้นตรงนั้นแหละในขณะที่เห็นมือไม่ใช่เราแล้วก็สภาวะที่เกิดกลางอกอะค่ะ ม, มันก็มีตัวหนึ่งรู้สึก ตัวอยู่เอ่อแต่ตัวที่รู้สึกเนี่ยเราไม่รักษามีก็มีหายก็หายไม่รักษาต้องต้องไม่รักษาเลยนะแค่ว่ามันมีอยู่ใช้ได้ละถ้ามันหายไปรู้ว่ามันหายไปเดี๋ยวมันก็มาใหม่ถ้าพยายามรักษาเนี่ยจิตจะผิดทันทีเลย น, นิ่งๆเห็นโลกแสดงใจรักนะแต่จิตเที่ยงเหลือตัวหนึ่งเที่ยงอยู่เพราะนเราไม่รักษาตัวรู้นะให้มันมีก็มีมันไม่มีก็รู้ว่าไม่มีอ่าแล้วก็ พอพอหลุดจากอาการตรงนั้นมันก็จะมีสภาวะที่รู้สึกมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ในกายเนี่ยคะ่ะมันเหมือนมีความเคลื่อนไหวกระทบกันอยู่ทั้งกายใช่ใชมันเป็นกลุ่มของรูปเกิดดับอยู่ในกายนี่เองมีเวทนาแทรกอยู่ดูไปนะดูในมุมที่ว่ามันเป็นเองมันไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็ทำงานได้เองไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อย บางทีรู้สึกว่ามันกระทบกันจนเหมือนเหมือนมันจะกระทบกันจนตัวแตกออกมาเอนี่ยนี่ก็รักษาใจไว้ถ้ารู้สึกไม่ไหวแล้วก็กลับมาทําความสงบใหม่ก็เลยหายใจแรงๆน ะ, ยะขยับขยับเปลี่ยนอิเล ย, ยาบทใช่เปลี่ยนใช่แล้วดูไปเรื่อยๆแล้ว เ, เ, เห็นมันไม่ใช่เราก็ให้ให้ดูว่ามันไม่ใช่เราไปใช่ตอนเนี้ยจิตไม่ปกติดูออกไหม ไม่รักษามันนะอย่างเนี้ยเรารักษาไว้เรากลัวว่ามันจะตื่นเต้นมากเราเลยบกดเอาไว้ค่ะอย่าไปกดมันขอบคุณค่ะพิธการดกพ่อครับ เ, เต้น <laughs> ทำใจแล้วนะครับไปครับก็เป็นครั้งแรกครับที่ที่ได้ส่งเคยมาฟังหลวงพ่ออยู่สามสี่ครั้งอืก็หลังจากนั้นก็ไปฝึกปฏิบัติมาที่หลวงพ่อสอนอ่า ทุกวันนี้ก็ทำมาแล้วสามปีนะในรูปแบบก็จะนั่งเช้าเย็นครั้งละหนึ่งชั่วโมงนะเป็นกิจวัตรนะในประจำวันก็จะรู้สึกตัวเวลาเราเดินไปทำงานระหว่างทำงานนะครับนะก็ผลที่ทำมาก็มีความรู้สึกว่าถ้ามองในลักษณะภายนอกเนะี่ยมีอิริุตตาปะเยอะนะในเรื่องของนะสิทธิห้าชมากขึ้น แต่ถ้ามาดูในภาวะภายในจิตของเราเนี่ยเวลาเราภาวนาเนี่ยมันเหมือนจิตไม่ถึงฐานครับหลวงพ่อมันจะพุ้งจะคิดคิดหลายคิดครับ <c oughs> หลายเรื่องในหนชั่วโมงนะ <c oughs> รู้หมดนะทุกคิดนะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันไม่สงบแต่พอเออได้เคยฟังซีดีหลวงพ่อว่าเราไม่ต้องการสงบนะก็เลยช่างมันเลยไม่สนใจเรื่องความสงบ ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดครับหลวงพอ่อมันก็คิดอยู่ตลอดจนปัจจุบันนี้เมื่อเช้านั่งก็คิดอยู่ตลอดว่าวันนี้จะมาหาหลวงพอ่อว่าจะส่งอะไรตั้งคําถามตั้งคําพูดพอพอถึงนี้ก็ลืมหมดก็จะมาขอคำมาหลวงพ่อด้วยว่าสิ่งใดที่เคยคิดอะไรกันแล้วแต่ภาพพังไปตั้งใจหรไม่ตั้งใจกใ็ขอคำมานั่นรับทราบนะแล้วก็ขอแสดงตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพอ่อจะได้พูดได้เต็มปากว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อครับไ ม, ไม่ต้องแสดงหรอกนะ ปกติเขาแสดงตนเป็นพุทธมามะกะแล้วทีนี้เวลาสังเกตดูเวลาเรานั่งภาวานาคิดแต่ละครั้งเนะี่ยพยายามกลับมาดูที่ใจว่าใจเราเป็นทุกข์ไหมหรือสุขหรือเกิดอะไรมันมองไม่ออกครับพ่อของโยมมันมีตัวหนึ่งนะคือตัวที่จิตเนี่ยมันไปยึดในความคิดความเห็นเนะีตัวนี้ยางแรงอยู่นะดูออกไหมครับนะมันยึดในความเห็นนะนะให้รู้ทันมัน ถ้ารู้ทันมันจะค่อยคลายออกคลายออกใจจะสบายกว่า น, นี้หน่อยศิตพยายามใช้คำพูดน้อยที่สุดนะค ะ, <อ>คะจิตเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ฐาน<อ>ดูไตรลักษณ์ครบทุกมุม<อ>แต่ว่าไม่ไม่ว่าจะดูฐานใดมุมใดมันก็เป็นทุกไปหมด<อ>เห็นทุกจนจิตแห้งผ่าม<อ>มันก็ปิ๊งว่า วิปัสสนาคือการเรียนรู้ทุกข์กิจข้อที่หนึ่งในอริยสัจนั่นเองอจึงดูทุกข์เข้าไปตรงๆก็เห็นทุกข์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นวัตจัไปเรื่อยๆอเห็นทุกข์เพราะจิตเป็นเหตุห้าแบบคือทุกข์เพราะจิตบีบเค้นจิตทุกข์เพราะจิตเข้าไปยาบเข้าไปยืดทุกข์ เพราะจิตไหวมเมื่อมีผัสสะทางอายตนะใดก็ตา ม, มทุกเพราะจิตออกไปอยู่นอกๆและทุกที่จิตเองจิตตื่นขึ้นมามีแต่จิตทุกก็ไหวขึ้นมาแล้ว อ, อยู่กับปัจจุบันก็ทุกเพราะมันอยู่ไม่ได้มันเป็นเพียงการแตะดับแตะดับเป็นขณะขณะไปเท่านั้นสภาวะที่เกิดบ่อยมาก คือมีควันดำปนแสนวูบวาบ<ม>ไหลเข้ามาทุกทิศทางอย่างมไม่ขาดสาย<ม>ดูจิตไม่ได้<ม>ดูกายไม่เห็น<ม>สิจจะทำความรู้สึกที่กายแรงๆจนกายปรากฏ<ม>ดูจิตได้<ม>สภาวะจางคลายไป<ม>เห็นความอยากจะทดลองดูไปเฉยๆไม่แทรกแซงแต่ก็กลัวจะหลงโกลมานล่าสุด เห็นสภาวะนี้แล้วเห็นกายเห็นใจได้เห็นมันไหลมาถึงกายแล้วก็กระดอนออกไปหมดเลยก็อย่างนั้นแหละตกลงิทธิ์ปฏิบัติต่อสภาวะนี้ถูกไหมคะถูกไม่ค้นกว่าเยอะนะรู้ซื่อเราปัจจุบันไปเรื่อยๆ คือหมายเขาว่าถ้าสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นอีกคือพอเห็นมันกระดอนออกไปเนี่ยสติก็ยังไม่เห็นอีกถ้าเห็นอีกเนี่ยสิทธิดูเฉยๆได้ไหมคะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องยุ่งเลยนะคะคือไม่ว่าสภาวะอะไรจะเกิด น, นะจะดีหรือจะเลวจะสุขหรือจะทุกข์จะสงบหรือจะฟุ้งซ่านจะหยาบหรือจะละเอียดเท่าเทียมกันทั้งหมดเลยจุดที่ไปทําให้มันแตกต่างกันก็นกคือใจที่มันไม่เท่าเทียมกันเพราะเรารู้ทานใจ อย่างนี้ใจยินดีรู้ทันอย่างนี้ใจยินร้ายรู้ทันเล่นที่ใจอันเดียวเลยแหละสภาวะอีกร้อยแปดพันเก้าไม่มีนัยยะสภาวะเป็นแค่ตัวกระตุ้นขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นว่าใจเรายังไม่ไม่เป็นกลางงั้นเรียนรู้เข้ามาที่ใจอันเดียวเลยข้งงั้นอีกสภาวะหนึ่งหนูไม่อิจจะเ ส, สไม่ถามแล้วค่ะ เห็นความคิดมีน้ำหนักหลุดลงมาเป็นวาจาใช่ใชเห็นการกระทํามีมารบงการลอยๆอยู่ไม่มีผู้กระทํำเห็นปิติครอบงําใจจิตมีน้ำหนักอัดแน่นเป็นตัวเป็นตนเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีรู้ทันความคิดฟุ้งซ่าน รู้ทันจิตที่คิดฟุ้งซ่านได้ดีขึ้นมากมเพราะดูที่กายก็เห็นอาการปวดขมับซ้าย<ม>ดูที่จิตก็เห็นอาการไหวเสียดแทง<ม>ทีนี้สิ่งที่ที่เกิดขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาสิทธิ์นั่งสมาธิคือนั่งแผ่ลงไปมันเป็นสมาธิเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะทำยังไงไม่ว่าจะใช้อารมณ์ใด ทำสมาธิเนี่ยจิตไม่เอาไม่ชอบสักอย่างหนึ่งมันจะรู้สึกเป็นภาระแล้วก็จิตออกนอกเป็นทุกข์ไปหมดเลยมันจะเป็นทุกข์ไปหมดเลยแต่บางครั้งบางครั้งเนี่ยจะเห็นเวลานั่งหลับตานิ่งๆเป็นบางครั้งเท่านั้นเนี่ยจะเห็นกายเป็นก้อนแข็งหรือไม่เห็นกายจิตตั้งมั่นสงบ สว่างไม่รับรู้อารมณ์ภายนอก อ, อันนี้คือจิตเข้าทําสมถะเองอยู่แล้วใช่ไหมคะใชงั้นสิไม่จําเป็นจะต้องไปพยายามท<ำ>ําใช่ไหมคะทําทุกวันได้ยิ่งดีแต่ไม่ได้ทําเพื่อสงบนะทําบูชาพระพุทธเจ้าเฉยๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องสงบเช่นเรามาอยู่กับลมหายใจอยู่กับอะไรก็ทําไปเถอะถึงเวลาก็ทําแต่ถ้าเราทำแล้วหวังว่าจะทําสมถะหวังว่าสงบไม่สงบง่าย ถ้าไม่ทําเลยนะจิตจะไม่มีพลัง oh. ถึงจุดหนึ่งจะไม่มีพลังคือมันเป็นยังไงก็ดูมันไปเออใช่ถึงเวลาทําในรูปแบบนี่แหละทาต้องทำํำ แ, แต่รูปแบบสิทธธรรมค่ะออแต่ว่าหมายความว่าแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็ต้องไม่เจริญปัญญาค่ะให้มันบบพักสบายในอารมณ์เดียว ค, คือหลวงพ่อสอนสิทธิ์ว่าเวลาฟุ้งซ่านมากให้ทำความสงบเข้ามาเนี่ยสิทธ์จะทำทำไม่ได้แต่มันทำเอง ต, ต้องทำอย่างนั้นค่ะนี่สิทธิ์ได้เห็นกรรมให้ผลประทับใจมากเลยค่ ะ, ะสิทธิ์เทน้ำร้อนทิ้งลงซิงค์น้ำโดยได้สำรวจอย่างรอบครอบแล้วว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆซ่อนเร้นอยู่ในซิงค์เลยมีมดตัวหนึง่งวิ่งด้วยความเร็วสูงมาก พุ่งตรงเข้าไปในซิง<ม>ส์สิ์ร้องว่าอย่าแต่มันตายคาที่ไปแล้ว<ม>จิตขณะนั้นเป็นอุเบกขาประมาณเดือนหนึ่งต่อมาสิดต้มน้ำในไมโครเวฟเพื่อใช้อุ่นไข่ลวก<ม>ทั้งทั้งที่รู้ว่าน้ำมันโอเวอร์ฮีตก็ยังหย่อนไข่ลงไปโดยไม่วางแก้วน้ำลงก่อน<ม>น้ำจึงเดือดอย่างรุนแรงล้น<ม><ม>ออกมาลวกมือมเห็นภาพมดตัวนั้นทันที มียาอยู่ที่นั่นพอดีใช้ทาบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อนได้ดีมาก ม, มื อ, <laughs> ม, อ <laughs> มือใช้งานไม่ได้แต่เป็นมือข้างซ้ายเปลี่ยนยาประมาณสี่ครั้งใช้เวลารับกรรมประมาณสีชั่วโมงมือก็หายเป็นปกติมไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอตอนที่เกิดเหตุ จิตไม่คิดว่าได้ทำกรรมอะไรเลยแต่พอเห็นมันให้ผลสมเหตุสมผลไม่มีที่ติจิตก็ยอมรับมันทำให้จิตผสมน้ำเย็นลงไปลดอุณหภูมิของน้ำร้อนลงก่อนทิ้งเสมอทุกครั้งที่สิตส่งการบ้านหลวงพ่อ <laughs> เห็นจิตเรียนจากจิตสู่จิต เห็นจิตเข้าใจทำตามทันทีมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมอย่างรวดเร็วเพื่อความไม่ประมาทในการเดินตามทางที่มีมารมาขวางนี้สิทธิ์กราบขอรับการขนาบจากหลวงพ่อเขาเอาขนาบเลยนะคะรับอะไรนะขนาบค่ะขนาบ อ, อขนาบค่ะจะขนาบอะไรละ่ะ <c oughs> น้ำร้อนก็ขนาบเราแล้วเนี่ยกระตากรรมนะ ไม่มีเจตนาใช่ไหมเป็กรรมเล็กน้อยอ่ะอก็ต้องรับแต่ต้นกรรมเล็กกรรมน้อยก็หนีไม่รอดหรอกนะหลวงพ่อคดเรื่องการตัตกรรมเนี่ยสิขอถามนิด น, นึงนะคะการตัดตกรรมเนี่ยมันมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วกรรมดีและกรรมชั่วเนี่ยมันมันแยกกันให้ผลหรือว่าให้ผลคือคือ ก, กตตาตตกรรมเนี่จะจะให้ผลต่อเมื่อไม่มีกรรมอื่นใดที่จะให้ผลแล้วทีนี้การตัดอะอย่างเช่นศีลเนี่ยอันนี้คือกาตตากรรมใช่ไหมคะนั่นแสดงว่ า, าขณะนั้นขณะนั้ น, น, น, นตัวอื่นยังไม่ได้ให้ผลไม่ไม่ว่ า, าบุญหรือบาปใช่อ๋อในขณะนั้นอ๋อค่ะค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณ ในส่วนของคําถามทุกคําถามนะคะซึ่งเชื่อว่าทุกๆ ท, ท่านคะ่ะได้เรียนรู้จากคําตอบของหลวงพ่อที่ได้โปรดเมตตาให้กับเราเราได้เรียนรู้จากการปฏิบัติของทุกๆ ท, ท่านด้วยนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของจิตนะคะที่มีสิ่งมากระทบและเกิดการสั่นไหวอ่อนไหวขอเป็นอีกหนึ่งคำถามได้ไหมเจ้าคะ่ะหลวงพ่อ ในสิ่งที่หลวงพ่อได้สอนเมื่อสักครู่นี้ว่ามีจิตเป็นที่เกาะเป็นที่พึ่งที่อาศัยในสภาวะการสังคมไทยวันนี้เหตุการณ์บ้านเมืองทำให้จิตของเรามีอาการวันไหวกับความหน้าหวาดกลัวหลวงพ่อจะมีธรรมะข้อใดให้เราเป็นที่พึ่ง <c oughs> ได้เจ้าคะ่ะจริงๆแล้วตัวจิตที่จะเอาเป็นที่พึ่งได้ต้อเป็นตัวจิตผู้รู้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน รูเนื้อรู้ตัวอยู่ถ้าจิตล็อกแรกลอกแรกอย่างเงี้ยเป็นที่พึ่งไม่ได้อมช่วยตัวเองไม่ได้งั้นจากจะมีที่พึ่งก็ต้องฝึกเอาแล้วก็ไม่ประมาทนะตัวนี้ตัวสําคัญที่สุดมันไม่ประมาทแล้วก็ไม่แตกตื่นงั้นเรายังไม่ทันถูกระเบิดเลยเรากลุ้มใจแล้วเอาไว้โดนระเบิดเราค่อยคลุ่มทีหลังก็แล้วกันอยู่กับมันไปนะถ้าเราไม่มีกรรมเราไม่ถูกหรอก แต่กรรมมีทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่กรรมใหม่ก็เช่นความประมาทมันมีชีวิตที่มีสติรักษาตัวเองไปสิ่งที่จะช่วยคุ้มครองเราก็คือสติของเรานั่นแหละของอื่นจะมาคุ้มครองอะไรได้นักหนาอย่างเรามีสติอยู่เนี่ยคุ้มครองดีกว่าพักเครื่องอีกนะพราครูบาอาจารย์ทาพักเครื่องให้ใช้เนี่ยท่านบอกเลยว่าไม่เกินกรรมแต่การที่เรามีสติอยู่เนี่ย มันเป็นกรรมใหม่ในปัจจุบันซึ่งมีกำลังแรงกรรมตัวนี้อาจจะตัดรอนอิทธิพลลดอิทธิพลของกรรมชั่วที่ให้ผลมาได้แทนที่จะเจ็บมากก็เจ็บน้อยนี่นเรารักษาสติของเราไว้เรื่อยๆนะมีสติคุ้มครองรักษาจิตไปในทุกๆสถานการณ์ตอนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็อยู่ของเราได้แลแต่ว่าก็ยากเราต้องฝึกเอาคนทั่วๆไปทำไม่ได้ต้องนับปฏิบัต ก็ย no. ุต like ิธรรมแล้วไม่ปฏิบ <Albert> ัติเธอก็ทุกข์ไปสิพูดแบบโรดร้ายความจริงสังเวชมากเลยนะเห็นคนไม่ภาวนาน่าโสสารนเนาะพอสมควรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสากรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติิติตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิะตุ สัพเพปูเรนตูสังคปาจันโทปนรสโสยธามิชโชติรสโสยธาสัพพีติโยวิวัตฉันตูสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิตจังุทาปจายโนจะตารโธรมาวัันตีอายุวันโนสุขังพลังสาธุ หลงพ่อแถมนิดหนึ่งนะคนที่มาคราวนี้เยอะพวกที่มาใหม่ๆเนี่ยฟังหลวงพ่อครั้งแรกนะจะยากนะแต่หลวงพ่ออยากให้อดทนนิดหนึ่งเอาซีดีไปฟังอะไรเนี่ยไปดู YouTube ดูอะไรที่หลวงพ่อเทศเทศไว้ไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรฟังซ้ำๆไปสักเดือนหนึ่งเท่านั้นไนดะ้ะชีวิตจิตใจเราจะเริ่มเปลี่ยนนะจากไม่เคยมีสติมันจะเกิดสติขึ้นมา เคยรักษาศีลยากก็จะรักษาง่ายจิตใจไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวก็จะอยู่กับตัวเองขึ้นมาใจมันจะตื่นขึ้นมาไม่เคยเห็นเลยว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนละส่วนกันก็จะเริ่มเห็นขึ้นมาไม่เคยเห็นเลยว่าร่างกายจิตใจเป็นทำงานของมันได้เองก็จะได้เห็นขึ้นมาจะเห็นเลยทุกอย่างมีเหตุสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เกิดแต่เหตุเหตุหมดไปมันก็ดับไปเ่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นงั้นเบื้องต้นเนี่ยฟังทีเดียวเนี่ยยาก รับรองว่ายากเพราะอะไรเพราะเราไม่คุ้นเคยฟังซ้ําแล้วซ้ําอีกนะอดทนนิดนึงฟังแล้วฟังอีกมีซีดีแผ่นเดียวก็ฟังมันทุกวันนั่นแหละมันไม่โง่จนถึงไม่รู้เรื่องหรอกนะทุกวันนี้คนที่ภาวนาโดยที่ไม่เจอหลวงพ่อนะฟังซีดีนะมีมากมายมากเลยแล้วภาวนาเก่งๆเนี่ยเยอะเลยเวลานั่งรถไปเนี่ยเห็นเลยดูออกรถผ่านเห็นหน้าคนนี้รู้เลยว่าฟังซีดีเพราะหน้าตาไม่เหมือนมนุษย์ มันผ่องใสนะผ่องใสแต่ไม่ใช่ใสแบบเคลิบเคลิมแบบปราบ ป, ปลืม้มเคลิมตาเยิม้มตาห้อยไม่มีไปฝึกเขานะเพื่อชีวิตเราจะได้ของที่ดีที่สุดคุ้มค่ากับที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์คุ้มค่าที่เราได้เกิดในแผ่นดินที่พระศาสนายังดำรงอยู่หาประโยชน์สูงสุดให้ตัวเองให้ได้ฟังแล้วฟังอีกนะใครฟังอา